จะเจริญพรทุกทุกท่านส่วนมากถ้าเราฟังเรื่องกรรมฐานส่วนใหญ่ที่สอนกันก็สอนมาให้ทำอย่างนี้ีิทาอย่างนี้ซิให้หายใจอย่างนี้ให้เดินอย่างนี้ให้นั่งอย่างนี้ก็นะสอนกันแบบนั้นให้ดูท้องอย่างนี้ดูมืออย่างนีนะ้จะเป็นเรื่องของรูปแบบของการปฏิบัติฟังแล้วก็เข้าใจง่าย เดินจงกรมให้เดินท่านี้ฝฟังแล้วเข้าใจง่ายสิ่งที่หลวงพ่อสอนนั่นก็คือจิตใจของเราควรจะเป็นแบบไหนเราต้องมีจิตที่พร้อมสาหรับการปฏิบัติซะก่อนจิต ท, ที่จะใช้ทำสมถะเป็นแบบนี้จิต ท, ที่ใช้ทำวิปัสสนาเป็นแบบนี้ส่วนรูปแบบหลวงพ่อไม่ได้สอนรูปแบบการปฏิบัติพวกเราก็ต้องไปดูตัวเราเอง ว่ากรรมฐานแบบไหนเหมาะกับเรานะอย่างกรรมฐานที่ทำสมถะทำเพื่อความสุขความสงบของจิตใจมีทั้ง40สอย่างเราก็ต้องไปดูเอาเองว่าเราเหมาะกับกรรมฐานอย่างไหนโดยที่ปฏิบัติแล้วจิตใจของเราถูกหลักของสมถนะหรือวิปัสสนากรรมฐานมีทั้งตั้งเยอะแยะเลยนะนเรื่องขันเรื่องธาตุเรื่องอายตนนะ เรื่องอินทรีย์เรื่องปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมีอารมณ์ของวิปัสสนาตั้งเยอะตั้งแยะสิ่งที่หลวงพ่อสอนก็คือก่อนจะเดินวิปัสสนาเนี่ยจิตเราต้องเป็นแบบไหนจิตเรามีความพร้อมที่จะทําวิปัสสนาไหมถ้าจิตเราพร้อมแล้วนะเราก็ไปดูว่าเราเหมาะกรรมฐานชนิดไหนเราก็ทํากรรมฐานอย่างนั้นงั้นที่หลวงพ่อสอนนี่สอนหลัก ส่วนวิธีการเนี่ยเราไปดูวิธีที่เหมาะกับแต่ละคนเราพร้อไม่ได้สอนวิธีเพราะว่าวิธีการเนีย่ยทางใครทางมันแต่ละคนไม่เหมือนกันอะอยู่ๆ่บาบังคับทุกคนให้ทําเหมือนกันใจมันไปไม่รอดหรอกอย่างบังคับทุกคนว่าให้นั่งพร้อมๆกันให้เดินพร้อมๆกันนั่งท่าเดียวกันเดินท่าเดียวกันทําอะไรเหมือนๆกันไ อ, อ้ อ, อย่างนั้นต้องฝึกกองทหารฝึกโยธาวิธฝึก อ, อะไรอย่างนั้นไป กรรมฐานเนี่ยทางใครทางมันนะสมัยพุทธกาลเวลาไปเรียนจากพุทธเจ้าท่านก็สอนหลักของการปฏิบัติให้มีบางคนทนะี่ท่านสอนวิธีนะบางคนท่านสอนวิธีแต่ถ้าสอนกว้างๆเนี่ยสอนหลักพอแสดงหลักทมในการปฏิบัติเสร็จแล้วท่านก็ไล่โน่นโขดไม้นนะเลื่อนว่างนี่ภูเขานี่ถ้ำนะต่างคนต่างแยกย้ายไปใครถนัด ดูกายก็ไปดูกายใครถนัดดูจิตก็ไปดูจิตไม่ต้องเถียงกันว่าสายไหนถูกสายไหนไม่ถูกบางคนถนดัดปฏิบัติกลางวันก็นอนกลางคืนบางคนถนดัดปฏิบัติกลางคืนก็นอนกลางวันก็ไม่เป็นไรเพราะต่คนต่างภาวนาเนี่ยที่ท่านได้ดิบได้ดีกันมาก็เพราะว่าทางใครทางมันนี่แหละไม่ได้ลอกเรียนแบบกันแต่หลักนะั้นะเป็นอันเดียวกัน การสิ่งที่หลวงพ่อสอนเนี่ยเป็นเรื่องหลักทั้งหมดเลยนะส่วนเวลาส่งกันบ้านตอบคาถามแต่ละคนนีอันนั้นอาจจะพูดถึงวิธีบ้างนะว่าของคนนี้เหมาะกับวิธีอย่างนี้ก็ลองทําดูได้ผลหรือไม่ได้ผลกนะ้ว่ามาครูบาอาจารย์ที่สอนหลวงพ่อมานะท่านก็สอนหลักมาให้นะสอนหลักมาให้เราพาวนาอย่างหลวงพูดูลนีไปหาท่านท่านสอนอันแรกเลยอย่าส่งจีดอกนอก คำว่าอย่าส่งจิตออกนอกแปลว่าอะไรแปลว่าให้มีสมาธิที่ถูกต้องให้มีจิตที่ตั้งมัน่นสมาธิที่ไม่ถูกต้องเนี่ยจิตออกนอก <c oughs> เช่นเวลาเราไปรู้ลมหายใจจิตเราไหลไปอยู่กับลมหายใจนี่จิตออกนอกไปดูท้องพองยุบจิตไหลไปอยู่ที่ท้องอันนี้จิตออกนอกพุทธโธพุทธโธจิตไปอยู่กับพุทธโธไปคิดคาว่าพุทธโธนะอันนี้ก็จิตออกนอกนหลวงปู่ ด, ดูลสอน อย่าส่งเกี่ยวอกนอกสอนเหมือนกันวิธีแต่ว่าเป็นหลักนะเป็นหลักเป็นหลักของการปฏิบัติขั้นแรกเลยจิตต้องอยู่กับเนื้อกับตัวนี่คือหลักของการปฏิบัติที่จะไปเดินปัญญานะเป็นหลักของสมาธิที่ถูกและจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนะภาษาไทยยุคนี้ก็คือมีจิตใจที่อยู่กับเนื้อกับตัวในขั้นเดินปัญญาหลวงปู่ดุลก็สอนแต่ละคนไม่เหมือนกัน บางคนท่านให้ดูกายบางคนก็ดูจิตบางคนดูเวทนาแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนท่านดูตามจริยนิสัยแต่ละคนเวลาไปเรียนจากหลวงพูดูลนะไปถึงไปกราบเราไปบอกท่านว่าจะขอเรียนกรรมฐานท่านยังไม่สอนนะท่านหลับตาเงียบๆสอบประวัติเราสักครึ่งชั่วโมงในชั่วโมงหนึ่งพอรู้ว่าเราควรจะทำกรรมฐานอะไรแล้วท่านบอก อย่างทุกวันนี้จะหาครูบาอาจารย์ที่มาบอกเราแบบนั้นทำไม่ได้นะอย่างหลวงพ่อสอนพวกเราทีมหลายร้อยคนเหมือนเป็นแมชโปรดักต์ละมันไม่ใช่สอนทีละคนจะมาบอกทีละคนได้เหมือนสิ่งที่สอนให้คือเรื่องหลักของการปฏิบัตินะการปฏิบัติเนี่ยมันจะครอบคลุมอยู่ในคำว่าไตรสิกขาเราจะต้องเรียนรู้สามอย่างอันแรกเลยเรียนรู้ว่าทำยังไง จิตใจเราจะเป็นปกติไม่ถูกกิเลส ช, ชั่วยาบครอบงำนะเรียกว่ามันมีศีลจิตใจมันเป็นธรรมชาติธรรมดาไม่ถูกกิเลสลากเข้าไปนะให้ทำความผิดทางกายทางวาจานี่ก็มีวิธีที่จะปฏิบัตินะหลักที่สองบทเรียนที่สองก็คือการเรียนเรื่องของจิตใจเราจะเรียนจนกระทั่งเรารู้ว่าจิตแบบไหนเนี่ยใช้ทาความสงบจิตแบบไหนใช้เจริญปัญญา เราจะเรียนให้รู้อย่างนี้แล้วขั้นที่สามเนี่ยขั้นการเจริญปัญญาเนี่ยเราจะเรียนวิธีจเจริญปัญญาวิธีในการรู้รูปกับวิธีในการรู้นามธรรมานะบางคนถนัดรู้รูปธรรมบางคนถนัดรู้นามธรรมาแต่ละคนไม่เหมือนกันต้องดูตัวเองว่าถนัดอะไรก็ทํากรรมฐานที่เราเหมาะทํากรรมฐา น, เ, นเหมือนไปซื้อเสื้อนะสื้ตัวหนึ่งซื้อกางเกงเสื้ตัวหนึ่งเราก็ต้องดูให้พอดี ตัวใหญ่ไปเราไปกินข้าวเพิ่มให้ตัวโตเท่าเสือ้อมขาก็ไม่ไหวซื้อมาตัวเล็กนี้เดี๋ยวไม่ดูสาระรูปตัวเองตัวเราใหญ่ซื้อเสื้ อ, อมาเล็กมันสวยใส่ไม่ได้ไปอดข้าวอีกก็ไม่ถูกนะเพราะขนาดซื้อเสื้อผ้า ซ, ซ, ซื้อให้พอดีกับตัวเรากรรมฐานก็ต้องพอดีกับจิตใจของเรานะเป็นเรื่องที่หลวงพ่อสอนนี่จะเป็นเรื่องหลักการปฏิบัตินะแล้วเราไปดู ว่าเราควรใช้รูปแบบการปฏิบัติแบบไหนไปทัเอาเองนะสังเกตเอาเองเพราะครูบาอาจารย์สอนไม่ไหวอย่างให้หลวงพ่อสอนทีละคนเนี้ยทำไม่ได้แล้วละ่ะมันไม่ใช่ยุคที่จะสอนทีละคนทีละคนละสมัยก่อนไม่ค่อยมีคนเรียนกรรมฐานหรอกยุคนี้คนสนใจปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์จริงๆเนี้ยเยอะมากนะถือว่าเยอะมากเมื่อสามสิปีก่อนเนียหลวงพ่อ เข้าไปตามวัดต่างๆนะแต่ละวัดเนี่ยหาคนที่จิตตื่นขึ้มาสักคนหนึ่งนะบางทีหาไม่ได้บางทีมีอาจารย์ตื่นอยู่องค์เดียวลูกศิษย์ไม่ตื่นเลยก็มีนะหลพ่อสอนเพื่อนไปกลุ่มหนึ่งสิบคนนะนั่งรถตู้เข้าวัดด้วยกันนะบางวัดในครูบาอาจารย์จิตไหว ม, มากพนะอรถตู้เข้าวัดหันกลับมาดูเลยอุทานท่านอุทานนะบอกไปรวมกันมาได้ตั้งเยอะสิบคนนี่เยอะแล้วนะแค่คนที่ตื่นนอะ สมัยโน้นไม่ค่อยมีคนเองกรรมฐ า, านหรอกนะส่วนใหญ่เขาเข้าไปทำบุญทำอะไรไปยุคนี้คนสนใจที่จะปฏิบัติเอาความพ้นทุกข์จริงๆเนี่ยมีมากนี่วันนี้หลวงพ่อจะเล่าการปฏิบัติที่มันไม่ยากนักนะนะเป็นว่าแต่ละวันเราควรจะทำอะไรบ้างส่วนรายละเอียดอะไรต่างๆเขาคงมีซีดีให้ฟัง ไม่มีซีดีฟังก็ไปเปิดอยู่ตรง u t u b e เลยนะมีคนทำวาเยอะแยะหลงพ่อไม่ได้ทำเองหรอกพลวงพ่อก็ไปเทศที่โน่นที่นี่คนเขาก็ไปสนใจวถ่ายเอามาไปลงพวกเราก็ไปฟังเอาได้นี่ในแต่ละวันเนี่ยถ้าเราปรารถนาความพ้นทุกข์จริงๆแล้วควรจะทำอะไรไม่ใช่ตื่นนอนมาก็ตาลีตาลานไปทำงานนะทำงานเสร็จ หมดเวลาทํางานก็ไปเที่ยวไปเล่นเฮฮาหมดเรี่ยวหมดแรงกลับบ้านหัวสุกหัวซุนกลับบ้านเหมือนนกปีกหักแนละ้ะมาถึงเอาหัวสุกที่นอนหลับไปละเพราะนั้นชีวิตผ่านไปวันหนึ่งวันหนึ่งแนละ้วหมดไปเรื่อยๆไม่ได้ของดีของพิเศษติดนะติดตัวหรอกถ้าเราอยากได้ของดีของพิเศษจริงๆนะเราต้องมาจัดพฤติกรรมของเราให้ดีหน่อยเราต้องมาปรับ ตัวเองหน่อยสิ่งที่เราควรทำในอันแรกเลยก็คือความสันโดษสันโดษหมายถึงว่าเรารู้จักพอนะรู้จักพอถ้าเราทำงานในหน้าที่ของเราเต็มที่แล้วได้ผลเท่านี้แหละก็พอพอใจนะนอกจากสันโดษนะความจริงมันมีก่อนสันโดษมีอีกตัวหนึ่งนะคือมักน้อยแต่มักน้อยเนี่ยเป็นกรรมฐานของพระ มักน้อยหมายถึงว่ามีโอกาสได้เยอะก็เอาเท่าที่จําเป็นอย่างหลวงพ่อเนี่ยคนถวายจีวร น, นะวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยได้เยอะหลวงพ่อส่งไปทางอีสานส่วนที่หลวงพ่อใช้พื้นหนึ่งเนี่ใช้ได้หลายปีเนี่ยอย่างนี้เรียกว่ามักน้อยหมายถึงมีโอกาสได้มากก็เอาเท่าที่จําเป็นไม่ใช่ว่าต้องขาดแคลนนะอันนี้มันเหมาะกับพระค า, ารวะเนี่ยรวยได้รวยได้มักมัก มากหน่อยก็ได้นะแต่อย่าให้ลบมากจนกระทั่งนอนไม่หลับนะขยันทำมาหากินร่ำรวยอะไรเนี่ยไม่เป็นไรไม่น่าเกลียดนะแต่ว่าควรจะสันโดษสันโดษหมายถึงว่าพอใจในผลไม่ใช่พอใจในเหตุนะขี้เกียจทำงานแล้วก็บอกว่าสันโดษนั้นไม่ใช่สันโดษสมัยจำพลสลิ์พัฒนาประเทศพัฒนาเศรษฐกิจเคยได้ยินเพลงผู้ใหญ่ลีไหมจาได้ไห พศออ2504ผู้ใหญ่ลีตีกลองประชุมทำไมต้อง2504เป็นปีแรกที่มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจเป็นการพัฒนาจากข้างบนลงล่างข้างบนสั่งลงไปเลยว่าจะพัฒนาเศรษฐกิจจะให้ทำอะไรจะให้ชาวบ้านเลี้ยงเป็ดและสุกรชาวบ้านไม่รู้จักสุกรสงสัยเป็นตัวอะไรบอกสุกรนั้นไซก็หมาน้อยธรรมดาคนบอกเขาไม่รู้เหมือนกันเขาสั่งมา จอมพลสฤษดนะิ์นถึงขนาดไปบอกพระว่าพระอยาสอนเรื่องสันโดษนะเขาจะพัฒนาประเทศถ้ทุกคนสันโดษเนี่ยขี้เกียจไม่ดีเนี่ยจอมพลสฤษดิ์ไม่รู้จักคำว่าสันโดษสันโดษไม่ใช่แปลว่าขี้เกียจทำเหตุขี้เกียจ ท, ทำมาหากินนะสันโดษที่แท้จริงหมายถึงว่าทำให้เต็มที่นะทำงานของเราเนี่ยให้เต็มที่แต่ได้ผลแค่ไหนเราพอใจในผลที่ได้รับ ถ้าเราตั้งเป้าไว้บริษัทเราปีนี้ต้องทําให้ได้ร้อยล้านมันได้สิบล้านเราทุ่มสุดฝีมือละวสิบล้านเราก็อิม่มบวกอิมใจว่าเราได้ใช้ความสามารถเต็มที่แล้วไม่สามารถตำหนี่ตัวเองได้เลยว่าขี้เกียจขี้คลานหรือทําอะไรช่วยช่วยนี่คําว่าสันโดษนัหมายถึงว่าทําเต็มที่นะเต็มเต็มฝีมือแล้วแล้วเราพอใจในสิ่งที่เราได้อันนี้เอาไปใช้ทํากรรมฐานด้วยอยากได้มากผลเร็วๆเนี่ย นะอยากได้มากผลเนี่ยไม่ใช่สันโดษนะไม่ใช่สันโดษนี่โลภนะแต่ว่าให้เราทําให้เต็มที่นะขยันภาวนาไปส่วนจะได้ไม่ได้เนี่ยเราพอใจแค่นั้นนะเราพอใจเราทําเต็มที่แล้วละ่ะมันได้ขนาดนี้ไนดะชาตินี้มันยังไม่ได้ก็อิ่มใจแล้วว่าชาตินี้ได้ทําเต็มที่แล้วอันะอนี้จะถึงจะเรียกว่าสันโดษถ้าเรามีความสันโดษนะชีวิตเราจะไม่วุ่นวายมากนะไม่วุ่นวายอย่างที่ในหลวงท่านบอกพอพๆนะ พอเพียงอะไรพวกนี้นชีวิตเราก็จะไม่ตอเครียดเกินไปนอกจากสันโดษแล้วสิ่งหนึ่งที่พวกเราต้องทานะเรียกว่าไม่คลุกคลียุคนี้คนไม่ค่อยคบกันนะต่างคนต่างอยู่ตัวใครตัวมันบ้านติดกันไม่รู้จักกันแต่เราไปรู้จักกันทางออนไลน์คลุกคลีกันทางออนไลน์วันๆเล่นไ ล, ลน์เล่นเฟซเล่นอะไรกันวุ่นวายมากเลย จะไปกินข้าวมันไก่ก็ต้องไปบอกคนอื่นเขาว่า oh, วันนี้ไปกินข้าวมันไก่ไปบอกทำไมไม่เห็นมีสาระอะไรเลยมันเป็นการย้าอัตตาตัวตนนะเราอยู่คนเดียวรงเหงาแล้วนะเรารู้สึกว่าในโลกนี้เราไม่มีความหมายอะไรไม่สร้างอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งให้คนอื่นเข้ามาช่วยกันรับรองว่าเรายังอยู่ในโลกนี้มีตัวเราอยู่จริงๆในโลกนี้เป็นเรื่องของความอ่อนแอทางจิตใจเลยนะที่เราต้องไปครุกคลีกับคนอื่นนะ คนที่มีความเข้มแข็งในจิตใจไม่สนใจที่จะครุกคลีกับใครหรอกนะเราสามารถอยู่ของเราคนเดียวได้เราพัฒนาตัวเองได้พืนะ่คนอ่อนแอก็ต้องพยายามจับกลุ่มกันนะรับรองซึ่งกันและกันว่าฉันยังอยู่ฉันยังอยูนะ่มันถ้าเราอยากได้มาผลนิพพานจริงๆนะมากน้อยสันโดษไม่ครุกคลีปรารบความเพียรข้อที่สี่ต้องปรารบความเพียรวันวันหนึ่งเคยคิดถึงการปฏิบัติห ถ้าตื่นนอนมาก็คิดว่าวันนี้จะปฏิบัติยังไงเนี่ยก็ยังใช้ได้นะแต่ว่าถามว่าถูกไหมไม่ถูกหรอกแต่อย่างเนี้ก็ยังดีกว่าไม่คิดถึงการปฏิบัติเลยพยายามคิดถึงการปฏิบัติบ่อยๆนะการปฏิบัติของเราไม่มีอะไรมากหรอกมีสติพยายามมีสติรู้สึกอยู่ในกายมีสติรู้สึกอยู่ในใจนะมีสติร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกไม่ใช่เรื่องยากที่คนทั้งหลายจะรู้สึก ถึงความมีอยู่ของร่างกายจิตใจนะถึงความเคลื่อนไหวของร่างกายจิตใจไม่ใช่เรื่องยากทุกคนสามารถรู้ได้นะแต่ที่รู้ไม่ได้นะเพราะว่าไม่ยอมรู้ไม่สนใจที่จะรู้ไม่เห็นว่ามันสำคัญที่จะรู้ที่จริงสำคัญมากเลยในการที่เราจะรู้สึกตัวนะเพราะาการปฏิบัติธรรมเนี่ยคือการพัฒนาตัวเองถ้าเราลืมตัวเราเองเราจะไปพัฒนาตัวเองได้ยังไงมันลืมไปซะแล้วงั้นสิ่งที่ ที่สําคัญมากเลยนะเราต้องมีสติรู้สึกอยู่ในกายมีสติรู้สึกอยู่ในใจสติรู้กายสติรู้ใจเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าสติปัฏฐานเคยได้ยินแค่ว่าสติปัฏฐานไหมสติปัฏฐานไม่เหมือนสติธรรมดาสติธรรมดานี่ถ้าใจเราเป็นบุญเป็นกุศลอยากทําบุญใส่บาตรอะไรก็ถือว่าจิตดวงนั้นมีสติเรียบร้อยแล้วแต่ไม่ใช่สติปัฏฐานสติธรรมดาเนี่ยพาเราไปเป็นคนดี พาเราไปเป็นเทวดาเป็นพรหมได้นะแต่พาไปนิพพานไม่ได้นะสติธรรมดาเนี่ยต้องสติที่รู้กายสติที่รู้ใจที่ท่านเรียกสติปัฏฐานท่านถึงบอกว่าสติปัฏฐานเป็นทางสายเอกเป็นทางสายเดียวเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นะนั้นเราต้องค่อยฝึกตัวเองนะสร้างเงื่อนไขที่ดีมากน้อยสันโดษไม่คลุกคลีปรารพบำเพรียงคิดถึงการปฏิบัติบ่อยๆถัดจากนั้นก็ฝึกสติมีสติรู้สึกกายมีสติรู้สึกใจบ่อยๆ ทุกคนรู้สึกได้แต่ว่าละเลยที่จะรู้สึกเพราะไม่รู้ว่าตัวเนี้สําคัญเนี่ยทางที่เราจะพ้นทุกข์ได้นะมีสติรู้สึกกายมีสติรู้สึกใจให้มากอย่างขณะนี้นั่งอยู่รู้สึกไหมเห็นตัวเองนั่งไหมเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าไหมไม่ต้องแบบบังคับนะเรารู้มันด้วยใจที่ธรรมดารู้ด้วยใจที่เป็นธรรมชาติที่สุดเลยใจธรรมดาอย่างนี้แหละไม่ต้องไปทาขลุม นักปฏิบัติเนี่ยพลาดตรงที่ว่าพอคิดถึงการปฏิบัตินะจะบังคับกายจะบังคับใจอย่างพอเราคิดถึงการปฏิบัติปุ๊บเราต้องขยับตัวต้องนั่งให้เท่เทก่อนนั่งได้เรียบร้อยแล้วก็บังคับใจทําคลุ่มๆบางคนคลุ่มมากแล้วก็เครียดเครียดไปเลยนะบางคนก็ทำใจให้ละท้อละทยุยนุ่มนะแป๊บเดียวก็หลับเนี่ยพวกดัดแปลงใจ นะัดัดแปลงกายดัดแปลงใจเวลาคิด ถ, ถึงการเดินจงกรมเวลาเดินไปเดินมานะถ้ามีสติแค่นั่นแหละเดินจงกรมแต่พอเราคิดถึงการเดินจงกรมอันแรกเลยต้องไปหาทางจงกรมก่อนถ้ายังไม่ได้มีทางจงกรมที่บ้านเนี่ยเดินไม่ได้นะความจริงเดินไปเดินมาเดินชอปปิ้งเลยนะถ้ามีสติมันก็คือเดินจงกรมแลยจงกรมไปว่าก้าวไปงั้นพวกเราอันแรกเลยต้องวิ่งเข้าหาทางจงกรมก่อนสมมติว่ า, า, า bras, ต้นทางอยู่นี่ปลายทางอยู่นี่ เข้าที่ต้นทางก็เริ่มวางฟอร์มทาขลุมนะบังคับร่างกายก่อนต้องยืนให้ดีนะมือต้องไว้อย่างนี้เสร็จแล้วพอจัดร่างกายเสร็จก็ทำให้จิตใจเรียบร้อยแล้วก็ค่อยๆเดินไปเดินนะ<ม>เดินมันเป็นการดัดแปลงกายดัดแปลงใจเรียบร้อยไปแล้วเมื่อเราดัดแปลงกายดัดแปลงใจเนี่ยเราจะไม่เห็นความจริงของกายของใจเสียแล้ว เรื่เริ่มต้นในการปฏิบัติถ้าเราอยากเห็นความจริงของกายของใจอย่าไปบังคับมันอย่าไปตัดแปลงมันตอนนี้ร่างกายนั่งอยู่รู้สึกไหมลองยิ้มสิยิ้มหวานหวานยิ้มคล้ายๆถูกหวยนะเนี่ยเห็นร่างกายยิ้มเห็นร่างกายหัวลอ้อไหมง่ายๆแค่เนี้ยไม่ต้องทำขลุมยิ้มละงันอย่างนี้ไม่เอาเลยนะทุเลศนะนะพภาน า, าไม่เป็นหรอกยังไง เห็นตัวอะไรหัวล้อไหมเห็นตัวนี่หัวเล้อเยอะนี่ยถ้าเราวางใจที่ถูกนะใจเราเป็นธรรมชาติอย่างนี้แหละแล้วเราเห็นร่างกายมีสติเห็นร่างกายเป็นทํางานไปใจที่เป็นธรรมชาติเนี่ยเรียกว่าใจที่มีสมาธิที่ถูกต้องนะใจที่มีสมาธิที่ถูกต้องสมาธิตัวนี้คือสภาวะที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวสภาวะที่ไม่ลืมตัวเองนะจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วมีสติเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวไป อ้าวยิ้มอีกทีสิมหวานหวานรู้สึกไหมไม่หวานเท่าแต่กี้ละเริ่มจงใจยิ้มแล้วรู้สึกไหมเห็นตัวอะไรพยักหน้าไหมเนี่ยเคลื่อนไหวเห็นตัวอะไรหายใจไหมเวลาเรารู้ลมหายใจนะเราอย่าไพลาดส่วนมากเวลาไปรู้ลมหายใจเนี่ยจะเอาสตินะจับอไปที่ลมพวกเราลองทดลองนะลองหายใจให้จิตอยู่ที่ลมให้จิตจับอยู่ที่ลมเลยนะเอาลองทําดู เอาละส่วนใหญ่ทําได้แล้วนะอีกพวกหนึ่งหนีคิดที่อื่นเลยนะไม่อยู่กับลมจําความรู้สึก<ม>ตอนนี้ไปนะแล้วลืมมันไปเอายิ้มหวานๆสักทีสายหน้าสองทีเออเนี่ยแล้วใช้ใจที่ปกติอย่างนี้นะเห็นร่างกายหายใจไม่ใช่ดูลมหายใจนะเห็นทั้งตัวเนี่ยมันกำลังหายใจอยู่ลองดูซิเห็นร่างกายหายใจไม่ใช่ดูที่ลมนะ เห็นไหมใจไม่เหมือนกับตะกี้แล้วรู้สึกไหมเนี่ยภาวะแห่งความตื่นนะภาวะแห่งความรู้สึกตัวแล้วรู้สึกต่อไปอีกนิดหนึง่งเห็นไหมตัวที่นั่งหายใจอยู่เนี่ยไม่ใช่ตัวเราหรอกนะมันจะเห็นได้เลยนะถ้าใจมันตั้งมั่นเป็นกลางอย่างแท้จริงนะีจะเห็นในไอ้ตัวนี้ไม่เป็นเรานะมันจะเห็นว่าร่างกายก็อยู่ส่วนหนึ่งใจก็อยู่ส่วนหนึ่งนี่คือขั้นของการเจริญปัญญาเรามีสตินะเรามีสมาธิเราก็จะมีปัญญา สติเป็นตัวรู้ทันร่างกายรู้ถึงความมีอยู่ของกายรู้ถึงความมีอยู่ของใจรู้ถึงความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกายของใจสมาธิก็คือภาวะที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวอยู่สบายๆรู้ตื่นเบิกบานสบายๆแล้วก็เกิดปัญญาปัญญาเบื้องต้นเห็นว่ากายกับใจนี้เป็นคนละอันกันนะปัญญาขั้นที่หนึ่งเลยนะเขาเรียกว่านามรูปปฏิเชษยานแยกรูปแยกนามร่างกายนั่งอยู่ ใจเป็นคนดูร่างกายหายใจใจเป็นคนดูนะลองยิ้มสิลองยิ้มแล้วมีใจเป็นคนดูรู้สึกไหมเวลายิ้มนะมันเหมือนเปิดสวิตมาจากข้างในรู้สึกไหมใจมันโล่งขึ้นมาใช่ไหมทําหน้าเครียดเครียนี่ข้างในมืดหมดเลยนะนั้นหลวงพ่อพยายามบอกพวกเรายิ้มหวานๆไว้ทําไมต้องยิ้มแล้วเกิดสมาธิเวลายิ้มมีความสุขใช่ไหมในหลวงพี่ทำสอนไวช้ชัดๆเลยความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิ นะเมื่อไร่ที่ใจเรามีความสุขนะสมาธิจะเกิดง่ายถ้าใจเครียดสมาธิจะไม่เกิดงั้นบางคนจะนั่งสมาธินะพอเริ่มนั่งก็เนี่ยสมาธิไม่เกิดออกนะงั้นเริ่มเบื้องต้นนะทำใจให้สบายกันสดชื่นสดชื่นคล้ายๆนางงามจักรวาลมาขอแต่งงานกับเรานะเออให้สดชื่นแบบนั้นเลยแล้วก็ใช้ความรู้สึกธรรมดาอย่างนี้แหละเนี่ยคือสภาวะที่จิตมีสมาธิที่ดีแหละนะ ไม่ใช่สมาธิที่สลบสลซึมกระตือไปแนคะ่ความรู้สึกใจที่อยู่กันเนื้อกับตัวแล้วก็มีสติเห็นร่างกายมันหายใจนะแล้วก็เกิดปัญญาเห็นว่าตัวที่กาลังหายใจอยู่ไม่ใช่เราหรอกนะเห็นไหมตัวอะไรพยักหน้าลองพยักหน้าสินะรู้สึกไหมร่างกายมันพยักหน้าใจเราเป็นคนดนะูถ้าคนไหนเมื่อยมากนะมีบางคนฉลาดบอกให้พยักหน้านะแถมวันนี้ด้วย นั่งนานเมื่อยนะทาได้ไหมทําได้เคลื่อนไหวเราเห็นร่างกายเป็นเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูนะเคยได้ยินชื่อหลวงพ่อเทียนไหมพระเทียนสอนขยับสิจังหวะรู้สิทธิ์ที่เก่งสุดๆของท่านนะชื่อหลวงพ่อคาเขียนหลวงพ่อคาเขียนน่ะฟันธงเลยบอกว่าสิบสี่จังหวะนี่ยมันเป็นของมาทีหลังห ล, หลักแท้ๆนะัคือหลวงพ่อเทียนนะรู้สึกตัว รู้สึกตัวนะแล้วก็เห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวจังหวะอะไรนี้มาคิดกันทีหลังนะ้องนี่พอเราคิดถึงจังหวะมากไปนะใจมันเครียดท่านี้เราจะไปทาา่าไหนอ๋อท่านี้ทาา่าไหนสุดท้ายก็ไปเพี้ยงเงาไม่ใช่รู้สึกเราต่อไปนี้พยายามนะให้จิตใจรู้สึกเรามีร่างกายอยู่แล้วเรารู้สึกมันบ่อยๆนะถ้าไม่ถนัดรู้สึกร่างกายนะให้ไปรู้สึกที่จิตใจ ในขณะ น, นี้ใครรู้สึกมีความสุขบ้างยกมือซิใครรู้สึกมีความทุกข์บ้างยกมือซิใครรู้สึกเฉยๆบ้างยกมือซิตอบได้หมดทุกคนเลยแสดงว่าอะไรแสดงว่าดูเป็นง่ายแค่นิ่งใจมีความสุขก็รู้นะใจมีความทุกข์ก็รู้ใจเฉยๆก็รู้ เราก็จะเห็นเลยความสุขอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปความทุกข์อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปความเฉยๆเองอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปนี่แหละเรียกว่าการเจริญปัญญานะเราเห็นมันเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปใจของเราเป็นแค่คนดูสบายๆเวลาดูกายดูได้ใจที่สบายเวลาดูจิตก็ดูได้ใจที่สบายเหมือนกันเวลาดูจิตอย่าไปเคร่งเครียดนะดูจิตที่ไหนๆจิตอยู่ไหนจ้อง ช่องช่อชเอาแล้วไอ้นี่อะไรจิตจ่องนี่นะไม่เจอจิตออกหลวงปู่เดินบอกใช้จิตแสวงหาจิตอีกกลับหนึ่งก็ไม่เจอใช้จิตแสวงหาจิตถ้าจะดูจิตทํำยังไงก็เหมือนดูกายตะกี้แหละร่างกายหายใจออกก็รู้สึกร่างกายหายใจเข้าก็รู้สึกถ้าจะดูจิตดูใจนะจิตใจเป็นสุขอยู่ก็รู้สึกจิตใจเป็นทุกข์อยู่ก็รู้สึกจิตใจเฉยเฉยอยู่ก็รู้สึกเมื่อกี้หลวงพ่อให้ยกมือละ นะว่าใจใครกาลังมีความสุขก็ยกส่วนใหญ่มีความสุขใครมีความทุกข์นี่มีไม่มากใครเฉยเฉยก็มีไม่มากเท่าไหร่เรารู้จักอยู่แล้วนะความสุขเราก็รู้ความทุกข์ก็รู้ความเฉยเฉยก็รู้เรารู้ด้วยใจที่สบายสบายรู้เหมือนใจที่ไปเห็นร่างกายต่เกียเห็นร่างกายด้วยใจที่สบายนี่เราก็เห็นความรู้สึกภายในจิตใจของเราอย่างสบายสบายเห็นใจมันสุขเห็นใจมันทุกข์เห็นใจมันเฉย หรือเห็นใจมันดีเห็นใจมันชั่วก็ได้คนไหนขี้โมโหบ้างในห้องนี้ใครขี้โกรธยกมือสิเนี่ยตามสถิติที่หลวงพ่อทําไว้นะยุคนี้คนขี้โกรธจะเยอ ะ, ะที่สุดใครขี้โลภยกมือสิโลภมากเห็นเมียใครก็สวยหมดเลยอย่างเงี้ยนะนะใครใครฟงรุงซานเก่งนะีฟงุงซานเนี่ยยกยกไปเลยนะเพราะโมหะเนี่ยเป็นพ่อเป็นแม่ของกิเลสทุกตัว จะมีราคาจะมีโทรศัพท์ก็ต้องมีโมหายืนพื้นไว้ก่อนงั้นถ้าอย่างพวกเราคนไหนขี้โมโหมันจะโกรธบ่อยนะไม่รู้จะโกรธใครบางทีโกรธตัวเองเคยโกรธตัวเองไหมเราเคยรักตัวเองไหมเคยรักใช่ไหมเราแค่รู้นะใจมันโกรธขึ้นมารู้ว่าโกรธเราจะเห็นเลยความโกรธมันเกิดขึ้นมาอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปความโกรธจะเกิดขึ้นความโกรธจะตั้งอยู่หรือความโกรธจะหายไปเราก็สั่งไม่ได้ เคยตั้งใจจะไม่โกรธแล้วก็โกรธไหมเพราะอะไรตั้งใจไม่ได้เราสั่งไม่ได้จิตจะโกรธหรือจิตจะไม่โกรธเราสั่งไม่ได้เคยไ้มจะไปดูสินค้าอะไรสักอย่างว่าจะไม่ซื้อเผลอซื้อมาเคยเป็นไหมสาวๆนี่พยายามฮ้าเกลียวกล่าวเลยนะเนี่ยเราห้ามมันไม่ได้ใจมันจะโลภห้ามมันไม่ได้ใจจะโกรธห้ามมันไม่ได้การเจริญปัญญาเนี่ยคือดูอย่างที่มันเป็น ดูอย่างที่มันเป็นเนี่ยเห็นเลย hini, Nike, ค, lying, ลความ hi, โกรธอยู Apollo, ik, ่ชั่วคราวแล้วก็หายความโลภอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายความสุขอยู่ชั่วคราวความทุกข์อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายแล้วก็บังคับไม่ได้สั่งให้สุขก็ไม่ได้ห้ามทุกข์ก็ไม่ได้สั่งให้ดีก็ไม่ได้ห้ามโกรธก็ไม่ได้ห้ามโลภก็ไม่ได้ห้ามหลงก็ไม่ได้นะห้ามฟุ้งซ่านก็ไม่ได้ห้ามโหดหูก็ไม่ได้ห้ามอะไรไม่ได้สักอย่างตรงที่ห้ามไม่ได้นี่เรียกว่าอนัตตา ตรงที่เรามีใจสบายๆเรามีสติเห็นร่างกายเห็นจิตใจเห็นความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายมันทํางานเลยนะเราเป็นแค่คนดูสบายๆดูอย่างมีความสุขความสบายนะปัญญามันจะเกิดคือเห็นไตรลักษณ์นะจะเห็นว่าทุกอย่างมาแล้วก็ไปทุกอย่างมาแล้วก็ไปอย่างถ้าเราถนัดตูกายเราเห็นแม้ร่างกายเดี๋ยวก็หายใจออกเดี๋ยวก็หายใจเข้าหายใจออกอยู่ช่วคราวแล้วก็หายหายไปเกิดร่างกายที่หายใจเข้า หายใจเข้าอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปเดี๋ยวเกิดร่างกายหายใจออกนะเนี่ยถ้าเรารู้สึกอยู่นะเราจะเห็นว่าชีวิตเรามีชั่วขณะเท่านั้นเองชีวิตเรากำลังตายอยู่ตลอดเวลานะหายใจออกก็ตายไปส่วนหนึ่งแล้วนะหายใจเข้าชีวิตเราก็สั้นลงไปอีกทีนึงแล้วความชีวิตเรานะ่ะขาดขาดร่อยหรอลงไปเรื่อยๆนะเอาความแน่นอนอะไรไม่ได้เลยแล้วร่างกายที่หายใจนี่ก็แปรปรวนตลอดเวลาเดี๋ยวหายใจออกเดี๋ยวหายใจเข้า ถ้าเราดูได้ละเอียดมากขึ้นเราจะเห็นเลยทําไมหายใจออกแล้วต้องหายใจเข้าก็เพราะมันทุกนะหายใจออกแล้วก็เกิดความทุกข์ก็เลยหายใจเข้าแก้ทุกข์หายใจเข้าแล้วก็เกิดความทุกข์อีกก็ต้องหายใจออกแก้ทุกข์ที่เราหายใจอยู่ขมเหลวขมเหลวอยู่ทุกวันนี้นะเราหายใจแก้ทุกข์ไปวันๆหนึงเพราะงั้นความทุกข์เนี่ยบีบคั้นเราอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกเลยหายใจเข้าก็ทุกข์หายใจออกก็ทุกข์ทดลองลองหายใจเข้าสิหายใจเข้าให้ยาว ทุกไหมเนี่ยในไม่ถึงนาทีเราก็เห็นแล้วว่าหายใจเข้าก็ทุกนะหายใจออกสิออกให้มากที่สุดเลยแล้วทุกไหมเนี่ยความทุกข์นะัมันมีอยู่แล้วมันแสดงตัวอยู่แล้วแต่ตลอดเวลาที่ผ่านมาเราละเลยเราไม่ดูมันเรียกว่าเราเราถึงเจริญปัญญาไม่ได้ถ้าเรามีสติอยู่ที่ร่างกายนะมีใจเป็นคนดูสบายๆเราจะเห็นในร่างกายเนี่ยถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ทุกลมหายใจเข้าออก ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ทุกทุกอิริยาบถถ้าเห็นอย่างนี้มากเข้ามากเข้านะต่อไปความยึดถือในร่างกายเนี่ยจะหมดไปเวลาจะตายนะใครตายตัวทุกข์จะตายนะไม่ใช่ตัวดีจะตายถ้าตัวทุกข์จะตายนะเราเบิกบานนะงั้นอย่งเวลาพระอรหันต์ท่านจะนิพพานเนี่ยอันเนี้ยตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมาเลยนะวันที่จะรินิพพานเนี่ยท่านจะผ่องใสผิดปกติเลยนะ จะผ่องใสมากเลยร่าเริงใจมากเลยคล้ายๆภาระคือไอ้ตัวทุกข์เนี่ยมันกำลังจะตายแล้วภนะาระที่ต้องแบกหามร่างกายเนี่ยกำลังจะหมดไปแล้วท่านร่าเริงนะร่าเริงใจหมดทุระแล้วสบายของเราถ้ารู้ว่าอีกสามวันจะตายเนี่ยเรากินข้าวไม่ลงเลยนะกุ้มใจเครียดจัดเลยใช่ไหมบางทีตายก่อน3วันเลยตายวันนี้แหละเพราะเครียดจัด จะไม่เหมือนกันใช่ไหมนั่นท่านเดินตัญญามาแก่รอบแล้วท่านเห็นร่างกายนี้คือตัวทุกข์พอร่างกายแก่ตัวทุกข์มันแก่ไม่ใช่เราแก่ร่างกายมันเจ็บคือตัวทุกข์มันเจ็บไม่ใช่เราเจ็บนะร่างกายตายคือตัวทุกข์มันตายไม่ใช่เราตายนะใจจะไม่หวั่นไหวเลยเนี่ยการที่เราเดินตัญญามากๆนะไปเราจะไม่หวั่นไหวถ้าเราเห็นความจริงของกายมากเข้ามากเข้าเราจะไม่หวั่นไหวเพราะกาย ถ้าเราเห็นความจริงของจิตใจมากเข้ามากเข้าเราจะไม่หวั่นไหวเพราะความรู en ้สึกในใจอย่างความรู้สึกในใจเนี่ยถ้าเราคอยรู้คอยดูเรื่อยๆเราจะเห็นเลยความสุขอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปความทุกข์อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปความดีอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปนะโลภโกรธลงอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปเนี่ยมีแต่ของที่หายไปหายไปงั้นถ้าใจมันเข้าใจความจริงตรงนี้แล้วเนี่ยต่อไปความทุกข์จะเข้ามาถึงใจได้ยากมากเลย ยังมีความสุขเกิดขึ้นเนเวลาพวกเรามีความสุขเราเคยรู้สึกไหมว่าเสียดายความสุขน่าจะอยู่นานๆนนไม่อยากให้มันหายไปอย่างเวลามีลองวิกเอนะใกล้ๆวันที่จะต้องไปทำงานรู้สึกไหมความสุขหายไปใครทำงานวันจันทร์ถึงวันศุกร์มั้งเสาร์อาทิตย์หยุดมีไหยสังเกตไหมว่าวันศุกร์เนี่ยเราก็เริ่มมีความสุขละเริ่มรีแลกซ์ละใช่ แต่ bye bye, บ่ายบวันอาทิตย์เนี่ยเซ็งแล้วรู้สึกหมยังไม่ได้ทำงานเลยเซ็งแล้วนะใจมันคิดล่วงหน้าไปแล้วนี่ง่ายง่ายอย่างี้นนะเราคอยสังเกตความรู้สึกของตัวเองไปเราจะเห็นในความรู้สึกของเราเนี่ยมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะตาเรามองเห็นใจเราไปคิดหน่อยหนึ่งความรู้สึกก็เปลี่ยนหูได้ยินเสียงใจเราไปคิดความรู้สึกก็เปลี่ยนใจมันคิดโดยตรงเลยไม่มีอะไรมากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกาย ใจมันคิดขึ้นมาความรู้สึกก็เปลี่ยนแล้วความรู้สึกมันเปลี่ยนตามความคิดตลอดเวลาแล้วความคิดเป็นสิ่งที่มีอยู่ตลอดเวลาแหละห้ามมันไม่ได้บางคนจะไปฝึกไม่ให้คิดนะนั่นเข้าใจผิดเลยจิตมีหน้าที่คิดจะไปสั่งไม่ให้คิดไม่ได้แต่พอคิดแล้วมันเกิดความสุขให้รู้ทันคิดแล้วเกิดความทุกข์ให้รู้ทันคิดแล้วโลภโกรธหลงให้รู้ทันรู้ทันเพื่ออะไรไม่ใช่เพื่อจะรักษาความสุขให้นิรันดรเพื่อจะปฏิเสธความทุกข์ รู้ทันเพื่อให้เห็นว่าทุกอย่างมันเป็นของชั่วคราวนะพอใจมันเห็นว่าเป็นของชั่วคราวความสุขเกิดขึ้นน่ถ้าความสุขจะหายไปนะเราไม่หวั่นไหวนะความสุขมีอยู่เราก็ไม่กลัวว่ามันจะหายความสุขหายไปเราก็ไม่เสียใจเพราะเรารู้ว่ามันของชั่วคราวอย่างบายวันอาทิตย์เนี่ยความสุขเราเริ่มหายไปแล้วนะเพราะอะไรเราเสียดายวันจุดของเราวันจุดจะหมดแล้ว เราเสียดายไม่อยากให้วันหยุดที่แสนสุขนี้หมดไปเนี่ยอะไรเอาบอลใ น, นความสุขความทุกข์ก็เกิดขึ้นหรืออยากให้ความสุขอยู่นานๆความทุกข์ก็เกิดความสุขไม่มีอยากให้มีความสุขความทุกข์ก็เกิดหรือเวลามีความทุกข์เกิดขึ้นก็เหมือนกันนะเวลาพวกเรามีความทุกข์เกิดขึ้นเนี่ยเราอยากให้หายเร็วๆไหมนึกถึงตอนน้ําท่วมบ้านท่วมครั้งใหญ่ปี54ได้ไหมตอนน้ํามาอยากให้น้ําไปไหม ช่วงแรกๆ อ, อยากให้น้าไม่มาใช่ไหมท่วมบ้านคนอื่นจะเจ้าประคูลอย่ามาท่วมบ้านเราเลยนะให้ไปท่วมที่โน้นที่นี่มันท่วมไปอย่ามาท่วมบ้านเราไม่อยากให้น้าท่วมตอนไม่อยากให้น้าท่วมกลุ้มใจไหมดูข่าวทุกวันเลยน้ํามาถึงไหนเราเครียดนะบางคนเครียดประสาทกินเดแต่น้ํายังไม่มาเลยนะพอน้ํามาเราก็อยากให้มันหายเร็วๆอยากให้มันไปเร็วๆนะปรากฏมันไม่ไปมันอยู่เป็นเดือนเดือนเลยนะไม่หาย เราเริ่มยอมรับได้เราต้องอยู่กับน้ําอย่างนี้แหละพอเรายอมรับได้สังเกตแหมความทุกข์เริ่มลดลงแลถ้าเรายอมรับสภาวะที่มีอยู่ได้ความทุกข์มันจะหายไปแต่ถ้าเราอยากให้ของที่ไม่มีมันมีขึ้นมาอยากให้ของที่มีแล้วมันหายไปเนี่ยความทุกข์มันจะเกิดขึ้นที่ใจเราเนี่ยแต่ถ้าเราเห็นความจริงว่าทุกอย่างมันของชั่วคราวเนี่ยความอยากมันจะไม่เกิดจะอยากให้มีความสุขไปทําไมความสุขเป็นของชั่วคราวจะอยากให้ความทุก หายเร็วๆได้ยังไงนะความทุกข์เป็นของชั่วคราวจะถึงเวลามันก็หายอยากให้หายเร็วมันก็ไม่หายหรอกทุกอย่างเป็นไปตามเหตุทั้งหมดเลยเนี่ยใจที่เราเจริญปัญญามากเข้ามากเข้านะมันจะเห็นความจริงความจริงของร่างกายความจริงของจิตใจความจริงของร่างกายคือร่างกายนี้มีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ตัวเราด้วยเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุเรายืมธาตุของโลกมาใช้นะเนี่ยถ้าใจยอมรับได้นะร่างกายแก่ไม่ใช่เราแก่แนละ นะร่างกายต่างหากที่แก่ร่างกายเจ็บไม่ใช่เราเจ็บนะร่างกายต่างหากเจ็บร่างกายตายไม่ใช่เราตายหรือถ้าดูจิตใจนะจะเห็นแต่ความไม่เที่ยงแล้วก็บังคับไม่ได้สั่งให้สุขห้ามทุกข์อะไรเงี้ยทําไม่ได้สั่งให้ดีห้ามชั่วอะไรเงี้ยทําไม่ได้นะถ้าเราเห็นความจริงนะมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของบังคับไม่ได้จิตจอมรับความจริงความสุขเกิดขึ้นจิตก็ไม่หลงระเริงเพราะรู้ว่าชั่วคราว ความทุกข์เกิดขึ้นจิตที่ไม่เศร้าหมองเพราะรู้ว่าชั่วคราวนะรอบกรดลงเกิดขึ้นก็ไม่ตกใจรู้ว่ามันชั่วคราวไม่มีหรอกความโลภความโกรธความหลงนี่รันดอนไม่มีทุกอย่างเป็นของชั่วคราวหมดเลยเนี่ยเรามีชีวิตยอยู่กับปัจจุบันนะรู้เป็นขณะขณะขณไปเนีน่ยนะความทุกข์มันจะมาไม่ได้หรอกความทุกข์มันจะลดลงลดลงไปเรื่อยๆศาสตร์อันนี้เป็นศาสตร์ที่สําคัญนะเพวกเรามักน้อยสันโดษไม่ครุกครี ไม่คลุกคลีรวมทั้งไม่ต้องไปเล่นอ่อนลงออนลน์มากดังนั้นเล่นเท่าที่จาเป็นเป็นมากก็เรียกว่าคลุกคลีไม่ได้ปฏิบัติหรอกนะมักน้อยสันโดษไม่คลุกครีปรารบความเพียรคิดถึงการปฏิบัติบ้างคิดถึงพระคิดถึงธรรมะไวนะ้ชีวิตเราเป็นของไม่แน่นอนจะตายเมื่อไหร่ก็ไดนะ้แล้วก็มีสติมีสติก็คือคอยรู้ทัน ความมีอยู่ของกายของใจความเปลี่ยนแปลงของกายของใจมีสติคอยรู้กายรู้ใจไปเรื่อยๆมีสมาธิมีใจที่สบายใจที่รู้เนื้อรู้ตัวใจที่เป็นธรรมชาติธรรมดานะ้วจะเกิดปัญญาเห็นความจริงของร่างกายเห็นความจริงของจิตใจร่างกายเนี่ยจะแสดงความเป็นทุกข์ได้ง่ายนะความเป็นทุกข์เนี่ยเด่นความเป็นอนัตตาก็เด่นคือเป็นวัตถุไม่ใช่ตัวเรา ส่วนจิตใจเนี่ยจะแสดงอนิจจังได้เด่นมันเปลี่ยนความรู้สึกมันเปลี่ยนเร็วนะอย่างอยู่บ้านอยากมาฟังเทศฟังเทศไปหน่อยอยากกลับบ้านความรู้สึกมันเปลี่ยนเร็วนะเปลี่ยนเร็วงั้นดูกายนะจะเห็นทุกข์กับอนัตตาง่ายถ้าดูจิตจะเห็นอนิจจังกาบนัตตาอนัตตาคือบังคับไม่ได้สั่งไม่ได้เนี่ยดูไปมากเข้ามักเข้าจะรู้เลยกายนี้ก็ไม่ใช่ของเราหรอก จิตนี้ก็ไม่ใช่ของเราหรอกยืมเพื่มาใช้ชั่วครั้งชั่วคราวมีแต่ของชั่วคราวทุกสิ่งทุกอย่างร่างกายนี้หายใจออกก็อยู่ชั่วคราวหายใจเข้าก็อยู่ชั่วคราวจิตนี้ก็อยู่ชั่วคราวนะจิตสุขก็ชั่วคราวจิตทุกข์ก็ชั่วคราวจิตดีก็ชั่วคราวจิตชั่วก็ชั่วคราวเมื่อไหร่นะจิตยอมรับความจริงว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเป็นของชั่วคราวเกิดแล้วต้องดับทั้งสิ้นใจเราจะเข้าถึงธรรมะขั้นต้นพระโสดาบันเนี่ย ไม่ใช่มนุษย์ประหลาดอะไรหรอกพระโสดาบันคือ a, ท่านที่พาจิตใจให้เรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจนะว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจนจิตมันยอมรับความจริงแล้วว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกนะเป็นของที่เกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปจิตใจก็ไม่ใช่ตัวเราเป็นของที่เกิดแล้วก็ดับไปแล้วก็บังคับอะไรก็ไม่ได้สั่งอะไรก็ไม่ได้อย่างร่างกายเราก็สั่งไม่ได้นั่งอยู่เนี่ยสั่งไม่ให้เมื่อยก็ไม่ได้ใช่ไหมสั่งไม่ให้คันก็ไม่ได้ สั่งไม่ให้หิวก็ไม่ได้สั่งไม่ให้กระหายก็ไม่ได้สั่งห้ามปวดอืบปวดฉี่ห้ามอะไรไม่ได้นะไม่ให้แก่ก็ไม่ได้ไม่ให้เจ็บเขไม่ได้ไม่ให้ตายเขไม่ได้สั่งไม่ได้สักข้อหนึ่งนะตรงที่มันไม่อยู่ในอำนาจเนี่ยก็เรียกว่าอนัตตาเหมือนกันจิตใจก็สั่งไม่ได้เนพามันดูของจริงนะมักน้อยสันโดษไม่ครุกคลีปรารบความเพียรมีสติรู้กายรู้ใจมีสมาธิคือจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวสบาย จเจริญปัญญาเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจเรื่อยๆไปนะได้กี่ข้อแล้วเนี่ยมักน้อยสันโดษไม่ครุกครีปรารพความเพียรใช่มมีสติสมาธิมีปัญญาเจข้อทำเจข้อนี้ได้เราจะได้ข้อที่8ข้อที่8คือไม่เนิ่นช้านะสมัยพุทธกาลเนี่ยมีพระองค์หนึ่งนะเป็นญาติๆเป็นลูกพี่ลูกน้องกับพุทธเจ้าชื่อพระอนุรุตพระอนุรุตเนี่ย ท่านไปพานาอยู่แล้วท่านก็คิดถึงธรรมะของพระพุทธเจ้านะว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเรื่องมักน้อยสันโดษไม่ครุกคลีปราลบความเพียรมีสติมีสมาธิมีปัญญาท่านคิดได้เจดข้อพระพุทธเจ้าก็เสด็จไปบอกข้อที่แปดว่าถ้าเธอทำเจ็ดข้อนี้นะข้อที่แปดจะเกิดขึ้นคือไม่เนอนช้าเราจะพ้นทุกข์ในชีวิตนี้แหละไม่เนอนช้านะพระนุรุตใช้เวลาอีกไม่นานนะพระบรรลุพระอรหันต์เพราะท่านมีองค์ประกอบเจดข้อนี้ครบแล้ว ถามจริงพวกเราเจดข้อมีกี่ข้อมากน้อยไหมสันโดษบ้าครุกคลีไหมยุ่งกับคนอื่นไหมยุ่งโดยไม่จําเป็นต้องยุ่งไหมออบางคนจะยุ่งบางคนไม่ยุ่งปราลบความเพียรไหมเกิดมาแล้วทุกวันเคยนึกไหมว่าต้องปฏิบัติถือศีลได้ดียังยังอ <laughs> ยางไว้ถือซะนะจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวหรือลืมตัวเองบ่อย จิตใจรู้สึกตัวบ่อยหรือว่าเผลอไปทั้งวันเลยถ้าเผลอไปทั้งวันนี่นะก็เดินปัญญาไม่ได้นะาะใจไม่อยู่กับตัวเองคือไม่มีสมาธิปัญญาไม่เกิดนะสมาธิที่ทําให้เกิดปัญญาหรือสมาธิที่จิตใจอยู่กับตัวเองนะไม่ใช่สมาธิที่สงบเห็นโน่นเห็น น, น, น, นี่เห็นผีเห็นเทวดาอะไรงี้ยไม่เกิดปัญญาหรอกนะสมาธิมีหลายชนิดถ้าเราวง์ประกอบเจข้อไปสํารวจตัวเองนะด้วยความซื่อสัตย์ เจ็ดข้อที่หลวงพ่อพูดให้ฟังเนี่ยพวกเรามีกี่ข้อนะแต่ละข้อเนี่ยสมบูรณ์ดีอยังถ้าดีนะหลวงพ่อขอพยากรพวกเราจะบรรลุมรรคผลในชีวิต น, นี้แหละนะแต่ถ้าไม่มีนะก็พยากรเหมือนกันยังหรอกอยังอีกไกลขยันหน่อยก็แล้วกันนะอย่าให้เสียชาติเกิดนะถ้าเราลึกชาติเป็นนะะรู้ว่า ชาติที่เราได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาเนี่ยมีน้อยช่วงเวลาที่ไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีพระธรรมไม่มีพระอริยสงฆ์เนี่ยมีมากเหลือเกินช่วงเวลาที่มีพระพุทธศาสนาเนี่ยมีสั้นนิดเดียวนะอย่างในพระพุทธเจ้าหลายๆองค์ที่ผ่านมานะสมัยพระพิปัสสีพระวิปัสสีท่านสอนกรรมฐานนะลูกศิษย์ที่ท่านสอนเนี่ยบรรลุมรรคผลกันเยอะแ ย, ยะเลย แต่ว่าไม่สามารถสืบทอดไปอีกเจเนเรชันหนึ่งได้นะได้รุ่นเดียวเองพอพุทธเจ้าปรินิพานแล้วเนี่ยไม่มีคนสอนต่อแล้วศา ส, สนาท่านก็หมดไปเมื่อสาวกหมดทั้งหมดเลยนะพระวิปสัสสีพระสิกขีพระเวสสภูเนี่ยสามพระองค์นีช่วงช่วงเวลาที่มีศาสนาคือช่วงที่มีอายุพุทธเจ้ากับสาวกรุ่นที่ท่านสอนเท่านั้นเองพนะพุทธเจ้าองค์ถัดถัดมานะในยุค ข, ของเราเนี้ยนะ พระกัคสันธะพระกวนาระพระกัสสปะของเราพระโคตาม้พุทธะเ น, นี่ยอันเนี้ยศาสนาพุทธถ่ายทอดได้หลายเจเนอเรชันถ่ายหลายเจเนอเรชันแต่คิดดูเวลานิดเดียวสองพนหกร้อปีชั้นนิดเดียวกับเวลาในประวัติศาสตร์เนี่ยเป็นแสนเป็นล้านปีใช่ไหมเป็นเวลาที่มีธรรมะอยู่ 2,600 ปีจะหายไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ด้วยนะจะหมดไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้งั้นวันเวลาที่มีพระพุทธศาสนาเนี่ยน้อยนับ ถ้าเราไม่มีพุทธศาสนานำทางเรานะเราไม่รู้วิธีปฏิบัตนะิเราเอาตัวเองไม่รอดหรอกนะชีวิตเราก็เวียนว่ายนทุลักทุเลไปเรื่อยๆนะไม่ชั่วหรอกนะอาจจะไม่ใช่คนชั่วแต่ว่าเป็นคนดีแต่ไม่มีโอกาสบรรลุมรรผลอะไรนี่เราถือว่าเรามีบุญนะเรายังเกิดมาในยุคที่พระพุทธศาสนายัางดำรงอยู่ยังมีการสืบทอดอยู่ งั้นเราอย่าให้เสียชาติเกิดซับเปล่าๆเสียโอกาสของตัวเราเองนะรักษาสีน5ไม่ขอเยอะไม่ต้องอดเข้าเย็นนะไม่ต้องอดเข้าเย็นแต่กลางคืนอย่า ก, กินบ่อยนะกินมากไปสุขภาพไม่แข็งแรงนะถือสีนนะ่ทุกวันแบ่งเวลาไว้15นาทีหรือ20นาทีเอาไว้ไหวพลาสวดมนต์แล้วก็มาหัดดูจิตดูใจตัวเอง จิตใจเราไหลไปหนีไปคิดรู้ทันหายใจอยู่จิตวิ่งไปอยู่ที่ลมหายใจรู้ทันเลยนะค่อยรู้ทันจิตที่มันหนีไปนี้มาจิตใจมจะอยู่กับตัวเองเราจะตื่นขึ้นมาเพราะจิตใจมันตื่นได้นะใช้จิตใจที่สบายๆนี่แหลนะเห็นร่างกายมันทํางานเห็นจิตใจมันทํางานเรื่อยๆไปนะแล้วพอหมดเวลาปฏิบัติในรูปแบบมาอยู่ในชีวิตธรรมดาเนี่ยก็ดูกายดูใจเขาทางานเรื่อยไปเนะท่าที่ดูได้ เท่าที่ดูได้หมายถึงว่าถ้าเราทำงานที่ไม่ต้องใช้ความคิดเราจะดูกายดูใจได้ถ้าเราทำงานที่ใช้ความคิดเนี่ยสติสมาธิปัญญาเราต้องไปจดจ่อที่งานนะเราจะดูกายดูใจไม่ได้นี่บางคนบอกว่าทำงานหนักตลอดวันเลยนะตั้งแต่เช้ายันคำ่ำทำงานวันนึงตั้ง10ชั่วโมง12สองชั่วโมงไม่มีเวลาปฏิบัติที่จริงไม่ใช่หรอกแต่และชั่วโมงเนี่ยเราทางานไม่เต็มชั่วโมง เราเอาเวลาในแต่ละชั่วโมงไปใจลอยซะเยอะเลยรู้จักใจลอยไหมเอาเวลาไปใจลอยนะใจเผลอลืมเด้อลืมตัวนะถ้าเราชั่วโมงหนึ่งเนี่ยเรารู้สึกตัวให้ได้สักห้านาทีสิบสองชั่วโมงอะได้หนึ่งชั่วโมงนะไม่น้อยนะเราก็ห้านาทีชั่วโมงหนึ่งรู้สึกตัวห้านาทีคล้ายๆเบรกตัวเองหน่อยอย่าไปตะลุมบอนกับโลกมากนักนะถ้าไม่จําเป็นมีเวลาชั่วโมงหนึ่งห้านาทีเดินไปห้องน้ําอะไรเงี้ย เห็นร่างกายมันเดินเห็นจิตใจมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปนะชั่วโมงหนึ่งได้ห้านาทีนะสิบสองชั่วโมงได้ชั่วโมงหนึ่งละแล้วอยู่ในชีวิตจริงเนี่ยถ้าไม่ได้ทํางานที่ต้องคิดนะเราสามารถปฏิบัติได้ทั้งวันเลยอย่ากวาดบ้านเห็นร่างกายมันทํางานใจเป็นคนดูนี่เรียกว่าปฏิบัติแล้วนะซักผ้าอยู่เห็นร่างกายทํางานใจเป็นคนดูอาบน้ําเห็นร่างกายทํางานใจเป็นคนดูนะ ขับถ่ายอยู่ก็ร่างกายทํางานใจเป็นคนดูบางคนบอกว่าเวลาเข้าซ่วมอย่าปฏิบัติบาปกรรมไม่จริงนะเกิดเราเป็นลมตายในซ่วมเราอยู่ทำยังไงอ่ะเห็นไหมอยู่ในส่วมห้ามปฏิบัติเกิดตายในส่วมเราก็แย่เลยนี่ยเพราะการปฏิบัติไม่มีเว้นวักเลยนะยกเว้นเวลาหลับกับเวลาทํางานที่ต้องคิดเท่านะเวลาที่เหลือนะพยายามรู้สึกแต่รู้สึกสบายๆอย่าขย่าทิ้งคําว่าสบายนะเ n o ายิ้มหวาน จะเลิกแล้วล่ะเห็นไหมใจมีความสุขปึบขึ้นมาเลยรู้สึกไหมเนี่ยใช้ใจอย่างเนี้นะเห็นร่างกายเห็นร่างกายเป็นยิ้มอยู่เนี่ยรู้สึกไหมร่างกายเป็นยิ้มไม่ใช่เราหรอกนะง่ายง่ายมันยากเพราะเราคิดมากขอ ง, ง่ายง่ายเวลาคนฟังพระพุทธเจ้าเทศนะ์นะฟังเสร็จแล้วท่านเขาจะทูลพระพุทธเจ้าพระแจมแจ้งนักพระเจ้าข่านะง่ายอ่ะ เหมือนเปิดของความให้หงายแค่เปิดถ้วยอย่างเงี้ยมันจะยากอะไรใช่ไหมง่ายไม่ใช่เรื่องยากมันยากเพราะเราไม่เคยได้ยินธรรมะจริงๆเราได้ยินแต่ ว, ว่าให้นั่งอย่างนี้เดินอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยแคนั้นเปลือกรูปแบบแต่สภาวะของจิตใจแบบไหนที่จะใช้เดินปัญญาแบบไหนใช้ทําความสงบเราไม่รู้จักนั่นหลวงพ่อสอนให้แล้วนะต่อไปนี้ยิ้มห ว, นหวานๆทุกวันตื่นนอนต้องรีบยิ้มนะ ยิ้มหวานหวานแต่อย่าส่องกระจกนะยิ้มเฉยๆน่ากเกลียดเกินไปกล้วสองกระจกพ <c oughs> ยิ้มหวานหวานใจผ่อนคลายใจเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเห็นร่างกายมันทํางานเห็นจิตใจมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงฝนะึกไปเรื่อยๆนะแล้วตอนไหนดูจิตได้ให้ดูจิตตอนไหนดูจิตไม่ได้ดูกาย ตอนไหนดูจิตก็ไม่ได้ดูกายก็ไม่ได้นะทำความสงบไหมสวดมนต์ไปเรื่อยๆก็ได้อะหังสัมมาอะไราไปทั้งบัดเลยก็ไดนะ้ให้ใจมันมีเครื่องอยู่ใจมันมีความสุข ใ, ใจมันมีความสุ ข, ม, ม, สขมีความสงบนะมีแรงกลับมาดูจิตดูใจได้อีกเนะี่ยวนเวียนฝึกไปอย่างนี้แหละมาผลจะหนีไปไหนละ่ะไปไม่รอดหรอกนะถ้าเราเดินอยู่ในหลักที่ถูกต้องพนะอสมควรแี่สิบห้นาที การใช่ค่ะโยมส่งกันบ้านเป็นครั้งแรกโยมอยู่ต่างประเทศนะคะแล้วก็ฟังซีดดกพ่อมาประมาณสองปีกว่าก็รู้ตัวเองว่าเห็นขันมันทำงานแล้วก็รู้สึกว่าเราเราเห็นว่าตัวเราเนี่ยไม่มีคือจิตก็ส่วนหนึ่งกายก็ส่วนหนึ่งแล้วก็ แต่ก็ไม่แน่ใจว่าที่เราเห็นเรารู้เนี่ยเรารูจริงหรือว่าเราคิดไปเองเราก็รู้จริงนะแต่ของคุณมันมีจุดอ่อนคือใจมันเครียดง่ายไปนะใจมันไม่แช่มชืน้นะต่อไปก็รู้มันสบายๆนะรู้ไปแบบไม่เข้าไปแทรกแซงไม่เข้าไปบังคับรู้เล่นๆ น, นะให้ใจผ่อนคลายใจผ่อนคลายแล้วเดี๋ยวปัญญามจะเกิดเร็วนะแต่ถ้าเราเคร่งเครียดนะ ถูกไม่ถูกถูกไม่ถูกนะอย่างนี้เคร่งเครียดไปแล้วก็มีคำถามหนึ่งคือมอีวันหนึ่งคือทำสมาธิค่ะแล้วรู้สึกว่าใกล้ที่จิตจะรวมแล้วเกิดความกลัวขึ้นมากลัวก็หัวใจเต้นแรงเหมือนจะหยุดเต้นตเคยเกิดมาแล้วหลายหนก็เลยรู้ทันว่ามาอีกแล้วความกลัวเราก็เลยเตั้งสติคราวนี้คือเป็นไงเป็นการแล้วก็นึกพระเจ้าอย่างเดียวต้องอย่างนั้นสิทีนี้ เกิดคือสติตั้งบ้านอยู่แต่ว่าณขณะนั้นเห็นเป็นเป็นแสงเล็กๆค่ะแท่กเข้ามาเกิดดับเกิดดับอย่างเงี้ยค่ะอยู่สามขณะขณะละสองสองครั้งตามการเต้นของหัวใจแต่ก็แต่ก็คิดว่าตัวเองไม่ได้มีสติอยู่ตลอดเวลากตีแล้วล่ะนะตรงนั้นไม่ใช่นิมิตใช่ไหมคะก็เป็นนิมิตแหละอันนิมิตเรามีสติอยู่นะบางที จังหวาการเต้นหัวใจนะมันเปลี่ยนเป็นรูปให้ดูนะเปลี่ยนเป็นรูปให้ดูที่รู้สึกกระเทือนไปทั้งตัวก็มีนะหัวใจเต้นนะรู้สึกเหมือนวิ่งตุบตุบตุบทั้งตัวเลยก็มีเห็นเป็นเป็นคลื่นเป็นแสงเป็นอะไรก็มีนะไม่เป็นไรไม่มีอะไรน่ากลัวหรอกใจเย็นๆนะภาวนาอย่า ก, กลัวมากหลวงพ่อยังไม่เคยเห็นว่าใครภาวนาแล้วตายสักคนเลยนะส่วนที่ภาวนาแล้วบ้าเนี่ยมีเพราะไม่มีสติ แต่ตามสถิติเนี่ยคนที่มาเรียนกับหลวงพ่อยังไม่เคยบ้าสักคนเลยแต่มีคนบ้ามาเรียนแล้วหายมีนะแต่ไม่ใช่บ้าทุกชนิดนะบ้าบางชนิดออกที่หายถ้าเป็นโรคที่เกิดจากระบบประสาทเนี่ยนะไม่หายอันนี้ต้องรักษาต้องกินยาแต่ถ้าเกิดจากจิตใจเคร่งเครียดอะไรเงี้ยพอนามไปแล้วหายมีจิตแพทย์นะมาเรียนกับหลวงพ่อเยอะนะ แล้วบางคนจะรักษาคนไข้รักษาเท่าไหร่มันก็ไม่หายนะมันเวียนมาให้รักษาเรื่อยๆเลยจนหมอเนี่ยแทบจะเป็นโรคจิตตามไปด้วยแล้วเครียดจัดเหมือนกันสุดท้ายหมอเลยงัดอาวุธสุดท้ายไปจัดการคนไข้คนนี้นะให้กินยาไม่หายเอาซีดีหลวงพ่อให้ฟังหายนะ่ะฟังซีดีแนละ้วใจมันสบายแล้วก็เห็นทา่าเห็นขันมันทํางานแล้วมีสติขึ้นมาไม่บ้าเลย น, ะนิยมก็อมของโยมเนี่ยเป็นคนที่เครียดง่าย เราไม่เครีง่ายมันกังวลอะไรเงีนะ้ยใจถึงถึงหน่อยคิดว่าเราสละชีวิตถวายพระเทเจ้าไม่ตายหรอกยังไม่เคยเห็นเลยใครพาวนาตายจะมาในรูปของความความกลัวเนี่ยความกลัวความกลัวจริงๆมันคือความรักตัวเองนะมันรักตัวเองกลัวว่าตัวเราจะสูญเสียตัวเราจะหายไปบางทีเจริญวิปัสสนาแล้วนะกลัวจเจริญวิปัสสนาไปช่วงหนึ่งนะมันเห็นเลยว่าตัวเราไม่ใช่ตัวเรา เห็นอย่านี้ยิ่งกลัวมากเลยไม่กล้าทําต่อก็ให้รู้ทันว่าใจกลัวนเหมือนเป็นความรู้สึกอย่างหนึ่งเท่านั้นถ้าเรารู้มันก็ดับไปใจกล้าๆไว้ไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยวมันก็ผ่านนี้ก็พยายามมีสติต่อไปในชีวิตประจำวันใช่ของโยมใจมันจะตระกูลโทสะตระกูลโทสะเป็นหลักไว้อย่างกลัวเนี้เป็นโทสะกังวลเป็นโทสะ บางทีที่เราเห็นว่าจิตเราเร็วมากมีอกักุศะนแม้แม้กับลูกตัวเองเราก็มีอย่างเงี้ยให้รู้ทันว่ามีโทสะ<ม>ไม่ชอบจิตตัวเองโมโหตัวเองใช่เจ้าค่ะนะบางทีแล้วเรารู้สึกว่าเอะเราเป็นแม่ทําไมเราไปรู้สึกอย่างนี้กับลูกห้ามไม่ได้รหรอก เ, รอเออห้ามไม่ได้หรอกนะเป็นเรื่องธรรมชาติ อย่างพ่อแม่ทั้งหลายนะถามว่ามีลูกหลายคนรักลูกเท่ากันไหมพูดเหมือนกันหมดรักเท่ากันพูดแบบรัฐมนูญเขียนประชาชนเสมอภาคกันเท่ากันจริงไม่เท่าหรอกแเราห้ามไม่ได้นะใจจะโกรธลูกรู้ว่าโกรธรู้อย่างนี้นะถ้าไม่รู้รอะไรไปหลังแกเด็กค่ะขอบคุณเจ้าค่ะกราบมรดการหลวงพ่อครับผมจะํามทำไมล่ะภาวนาเป็นนะ่ะ ก็เป็นครั้งแรกที่ได้ส่งการบ้านกับหลวงพ่อนะครับก็จริงๆแล้วก็ดูศึกษาจากในซีดีแล้วก็ดูใน YouTube มาดูถูกแล้วละ่ะครับผมแต่ว่าตอนนี้คือดูตัวขันแยกขันแยกธาดุไ ด, ได้ถู ก, ถกแยกได้ละคือการภาวนานะี่ยมันยากตรงที่ว่าจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาว่าตั้งมั่นแล้วแยกขันได้เนี่ยต่อไปนี้ไม่ยากละวคือเราจะเห็นขันมันทํางานขันนั่นแหละจะสอนไตรลักษณ์เราสอนธรรมะสังเกตแม่เป็นสอนเราทั้งวันเลย น, นะแต่ว่าเวลาเราพอ น, นาน้ําบางช่วงใจเราหมดแรงฟุ้งซ่านก็ทําความสงบพุทธโทธพุทธโธไปหายใจไปอะไรไปนะมีแรงแล้วกลับมาดูใหม่ทําถูกแล้วก็อย่างช่วงหลังๆเนี่ยจะมีตัวโกรธแล้วก็ตัวจิต ม, มั่นถึง ม, มั่นในตัวเองคือใครเข้ามายุ่งกับตัวเองไม่ได้เราให้รู้ทันนะเป็นกิเลสของเราใช่ครับทีนี้รู้ทันแล้วเนี่ยยังวางไม่ทันบางทีก็หลงไปกับเขาแล้วก็ ตั้งใจนะตื่นนอนมาตั้งใจรักษาศีห์ห้าก่อนจะกิน ข, ข้าวเช้าข้าวกลางวันข้าวเย็นก่อนจะนอนหนึ่คืนตั้งใจว่าจะรักษาศีห์ห้าเตือนตัวเองบ่อยๆงั้นทางใจเราจะไม่เก็บกดโกรธขึ้นมารู้แต่ว่าจะล้นออกมาทางกายทางวาจาเนี่ยจะติดศีห์ห้าคอยเตือนตัวเองให้รักษาศีนไว้ไม่ใช่ไม่ไปลุกรานคนอื่นเขาแต่ในใจเราเนี่ยเราจะเห็นเลยหาคนชั่วเท่าเรายากนะ ทำถูกแล้วละ่ะดีครับขอบคุณมากครับรู้สึกไห ม, มเหมือนมีชีวิตใหม่รู้สึกครับผมนี่แหละธรรมะของพระเจ้านะเปลี่ยนจิตใจของคนได้จากคนมืดบอดนะะเป็นคนที่มนเหมือนเกิดใหมนะ่เกิดใหม่อยู่ในแวดวงของพระดีขอบคุณครับหลวงพอ่อทังที่ดีหลวงพ่อมาได้ประมาณเก้าเดือนนะครับ อ, อยากรู้ว่าผมปฏิบัติถูก เห็นกิเลสบ่อยไหมเห็นบ้างครับเห็นถ้าเห็นกิเลสได้บ่อยๆก็ปฏิบัติถูกนะถ้าไม่เห็นกิเลสเลยปฏิบัติไม่ถูกหรอกร บ, บางคนเห็นผีเห็นเทวดาอะไรเงี้ยไม่เห็นกิเลสใช้ไม่ได้ก็โกรธบ่อยะครับแล้วก็บางทีก็หลงไปกับโกรธโกรธไปนานกันพวนให้จิตมีเครื่องอยู่ไวนะ้นายอยู่กับพุโทโธอยู่อะไรก็อยู่ไปสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตจะได้ไม่หลงยาวนะ ว่างๆก็สวมดมนต์ในใจไม่ต้องสวด ย, ยาวสวดพุทโธพุทโธพุทโธธรโมูสังโฆอะไรอย่างนี้ก็ได้นะสวดไปเรื่อยๆแล้วก็คอยรู้ทันจิตจิตสุข ก, ก็รู้จิตทุกก็รู้จิตดีก็รู้จิตชั่วก็รู้จิตสงบก็รู้จิตฟุ้งซ่านก็รู้พุทโธพุทโธไปแล้วรู้ทันจิตไปนะนี่มันจะมีกำลังแรงยังไม่มีแรงน้อยไปหน่อยครับรู้สึก c a า m c a l สงบไม่ก็ได้นั่นแหละนะพุทโธไปไม่ต้องคิดเรื่องสงบ อาพุทโธไปนะแล้วก็รู้ทันจิตไปเลยจิตสุข ก, ก็รู้ทุกก็รู้ดีก็รู้ชั่ว ก, ก็รู้นะสงบก็รู้ฟุ้งซ่านก็รู้ฝึกไปอย่างนี้แหละแล้วมันสงบเองสัญญาออขอให้หลวงพ่อช่วยเป็นพยานครับว่าจะปฏิบัติในรูปแบบทุกวันอย่างน้อยอย่าเยอะเออนย่าเยอะตกลงรับทราบบางคนบาง ค, คนปฏิญาณจะทำสามชั่วโมงทุกวันนะ ใจฟอร์หมดเลยวันหลังอ่ะมันได้วันเดียวสิบห้านาทีแล้วต่อไปมันเพิ่มเองแหละครับผมอีกเรื่องครับคือมีเพื่อนผมอยากจะขอโอกาสอขอขามาหลวงพ่อครับือไม่เป็นไรนะหลวงพ่อรับทราบนะรับทราบอ ค, บคนอื่นก็เหมือนกันนะใครคิดจะขอเข้ามาก็าถือว่าขอทีเดียวกันเลยก็แล้วกันหลวงพ่อเนี่ยเป็นพระที่ ไปไหนคนขอเข้ามาเยอะเพราะเมื่อสองสามปีก่อนนะไปไหนคนมันด่าเยอะ <laughs> มันไม่มีอะไรมากหรอกง่ายๆคือถ้าใครทำอะไรที่ใหม่ขึ้นมานะก็มีกระแสอนุรักษก์กระแสปฏิรูปประทะกันธรรมชาติเป็นอย่างนั้นแต่พอผ่านวันเวลามานะสิ่งที่หลวงพ่อทำมันพิสูจน์ตัวมันเองได้ในช่วงหลวงพ่อสอนแรกๆนะ ครูบาอาจารย์บางองค์ท่านเจอหน้าท่านยังบอกหลวงพ่อเลยบอกเฮ้ยประโมทสอนฆราวาสอนะ่ะสอนทำทานถือศีลพอแล้วแค่นี้มันก็ไปทําแล้วทํางว่างี้นะไม่ต้องสอนธรรมะชั้นสูงหรอกหลวพ่ อ, พอครับครับครับแต่ไม่เชื่อหรอกเพราะหลวงพ่อภาวนาตั้งแต่เป็นฆราวาสครูบาอาจารย์ชมเรามากเลยตั้งแต่เป็นฆราวาสนะขนาดพระยังบอกครูบาอาจารย์ยังบอกเลยให้พระภาวนาให้ได้อย่างหลวงพ่อก็มีนะ ตังแปดเป็นโยมแล้วหลวงพ่อรู้อย่างหนึ่งว่าฆรวาสก็ทําได้นี่พอมาถึงวันนี้นะผลงานที่หลวงพ่อสอนเนี่ยแยกธาตุแยกขันธ์ออกมาเนี่ยเกลื่อนเลยเต็มบ้านเต็มเมืองเลยท่านเห็นปลาท่านก็รู้แล้วว่ามันทํามาได้แล้วนะเดี๋ยวนี้ไม่มีใครว่าละสังเกตไหมเงียบไปหมดแล้วอ่กา ร, รก า, รก า, าแลล้วหงยกมาอย่างนี้ไม่ต้องขนมขที่แล้วส่งกับบ้านหลวงพ่อบอกว่ายัง น่่ยยไมมคอตัั้งทางถึงฐานมากขึ้นแล้วดูออกไหมดูอนะนั่นแหละใจที่มันถึงฐานมันอยู่กับตัวเองเมืใจมันอยู่กับตัวเองนะมันจะเห็นกายเห็นใจทํางานไปรู้สึกไหมว่าขันมันเริ่มแยกได้นั่นแหละถูกแล้วเคลดมันอยู่ตรงที่จิตตั้งมั่นนี่แหละสมัยก่อนนะเมื่อสามสิบปีก่อนเนี่ยคนไม่รู้จักสมาธิชนิดจิตตั้งมั่นรู้แต่สมาธิอย่างเงี้ยก็เห็นเห็นบางทีเห็นความ รู้สึกไม่สบายใจมามาทำาแล้วก็ไปสุขหลังๆเห็นเริ่มเห็นสุกมาแล้วก็ใช่ใช่นั่นแหละแล้วว่าเราทํำวิปัสสนาละนะทําได้นะต่อไปก็เมื่อผลมันไม่มีไปไหนหรอกต้องดูแบบนี้ไปเรื่อยใช่ไหมใช่แต่ต้องทําในรูปแบบนะถ้าไม่ทําเลยใจจะไม่มีแรงใช่บางทีบางทีอย่างที่บอกว่าเหนื่อย จะไม่ควรมีแรงก็พยายามพยายามสักสิบนาทีอะไรอย่างนี้เจ้าค่ะเอาให้ได้สิบห้าสิบนาทีน้อยไปก็บางทีคือเห็นตัวเองว่าเดินรงกลมจะรู้สึกตัวดีแต่ถ้าบางทีมันไม่สดสถานที่ไม่เมื่อหนวยกัยเดินรงกลมนี่เจ้าค่ะนั่งสมาธิก็มันจเราอย่าไปนั่งนิ่งๆสินั่งกระดูกกระดิกก็หลวงพ่อนี่ยมื่ก็มีพัดอยู่อันหนึ่งนะั่งพัดไปเลย ถ้าร้อนๆเรงก็พัดเนี้ยถ้าหนาวๆเราก็พัดเนี้ยแค่เม็นเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกมันก็แทนการเดินจงกรมอยู่แล้วบ้านหนวงพ่อเป็นบ้านไม้บ้านโบราณ น, น่ะเป็นไม้กระดานเราไปเดินจงกรมนะมันร้องเอยดๆๆ็ดเย็ดเย็ดนะกลางคืนเหมือนผีหลอกเลยเราเดินก็กวนคนอื่นเขาเราก็นั่งนั่งขยับเราขอบคุณเจ้างานรักษการหลวงพ่อค่ะ ของโยมได้ฟังซีดีของหลวงพ่อประมาณไปที่แล้วอะค่ะแล้วโยมก็ลองปฏิบัติตามหลวงพ่อแต่ก็ไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่าก็คือเวลาจะเดินจะนั่งจะทำงานหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะดูตามว่ากิริยาว่าเรายื่นมือไปทำแบบนี้เดินก้าวซ้ายเข้าวขวาแบบเนี้ยค่ะแล้วก็มีอยู่วันนึงผ่านไปได้สามเดืนเอนตื่นมาแปรงฟันแล้วก็ <c oughs> ก็เห็น <c oughs> คืมื่อกเราเห็นตัวเรายืนอยู่แล้วก็ตกใจว่าเอ๊ะทําไมเราเห็ น, นเป็นตัวของเราอยู่ตรงนั้นซึ่งแต่รู้ว่าไม่ใช่ตัวเราอ่ะอืมมันเห็นด้วยความรู้สึกนะใจมันเป็นคนดูแยกออกมาเห็นร่างกายมันไม่ใช่เราละเบางคนร้องไห้เลยเสียดายว่าตัวเราหายไปตัวเราหลุดออกไปแล้ว<ไ>แต่ว่าเวลาภาวนานะอย่าไปจงใจจะหยิบแก้วนะ้ํำกาจงใจมากเลยอย่างนี้ไม่ได้นะ ให้รู้สึกเป็นธรรมชาติไปใ ห, นะให้ให้รู้สึกเป็นธรรมชาติว่าเรื่มไปหยิบใช่ไม่ต้องเจสูงว่าหิวน้ำมากเลยหยิบ <c oughs> ชั่วโมงยังไม่ถึงนะพอมือ <c oughs> แตกแก้วไตวายพอดีเลยใช้ไม่ได้หรอกนะ <c oughs> แล้วอย่างบางครั้งมีอยู่ครั้งหนึ่งอะคะ่ะครั้งสองครั้งที่นั่งสมาธิตามลมหายใจไปเรื่อยๆ ตามไปจนเอาาเอลมหายใจก็ค่อยๆ ส, สั้นลงสั้นลงสั้นลงคำบริกรรมหายไปออ mm ื hmm. พอถึงตรงนั้นจิตมันเหมือนกับเหมือนไปอยู่ในที่ mm hmm. ที่หนึ่งอะคะ mm ่ะ hmm. แล้วด้วยความที่ตอก่อนหน้านั้นอ่านอ่านหนังสือของหลวงพ่ออ่านว่าหาจิตผู้รู้ก็ไม่รู้คือพอไปถึงจุดนั้นก็ตัวเองก็หาจิตผู้รู้อยู่ไหนไม่ต้องหางจิตผู้รู้นะที่หลวงปู่ดูลสอ น, นใช้จิตสแสวงหาจิตอีกกับหนึ่งก็ไม่เจอ แล้วเราต้องทำยังไงเนี่ยเรากำลังพูดอยู่รู้สึกตัวนะร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกรู้สึกไปเล่นๆ น, นะไม่ต้องไปกาหนดนะบางคนโกรธน้อโกรธน้ออะไรเงี้ยอันนี้แทกแซงนะโกรธก็รู้ว่าโกรธไปก็เห็นเลยโกรธมาแล้วก็โกรธไปนะดูไปสบายสบายใช้ได้นะภาวนาดีขึ้นแล้วล่ะของคุณ ทคนที่สองที่สามนะเวลาเรารู้สภาวะใจมันชอบถลําลงไปรู้ให้รู้ทันว่ามันไหลเข้าไปนะอี่ยเวลาเราจะดูจิตดูใจเนี่ยดููแล้วนะใจมันไหลเข้าไปไหลไปดูให้รู้ทันว่าจิตมันไหลไปแล้วถ้าไม่งั้นคล้ายๆไม่ได้เห็นจิตหรอกมันไหลไปเห็นอะไรก็ไม่รู้เราคิ ว, ว่าเราดูจิตอยู่ที่จริงจิตมันหลงไปแล้วจิตมันไม่ตั้งมั่น การนมัสการพ่ครับตั้งใจมากเลยาจะถามคําถามแต่ดูเหมือนคําถามที่ผมเตรียมจะถามพ่อได้ไปตอบไปบ้างแล้วผมใช้วิธีตามรู้ตามดูจิตโดยใช้ใช้ซีดีของพ่อเป็นเครื่องอยู่ครับแล้วก็ถ้าวันไหนท่าไม่ได้ฟังเสีย ง, งพ่อจิตมันก็จะหลงไปอยู่บ่ยบอยๆโองั้นฟังไว้ก็ดีกว่า <laughs> <c oughs> ที่จริงซีดีเนี่ยเอาเป็นเครื่องอยู่ไม่ได้นะ สิ่งที่ใช้เป็นวิหารธรรมเนะี่ยไปดูในสติปัฏฐาน4ี่กายเวทนาจิตทำไม่มีซีดีนุปัสนาแต่ว่า CD เนี่ยถ้าเราฟังแล้วเราคอยรู้ทันจิตนะีเราใช้จิตเป็นวิหารธรรมซีดีเป็นเหยื่อล้อ <c oughs> นะีฟังซีดีอย่างเนี้ยฟังตัวนี้ขำรู้ว่าขำฟังตัวนี้งงรู้ว่างงเนี่ยนะรู้รู้ทันจิตไปได้เราใช้จิตเป็นเครื่องอยู่อย่างนั้นใช้ได้นะี่มันมีเสียงพ่อค่อยเตือนว่า ให้ตามรู้ตามดูจิตโอ้ ใ, <ห>ใช้ได้อย่างนั้นดิแลก็พอฟังแล้วก็เกิดก็สงสัยว่าจิตตื่นจิตถึงฐานแล้วก็จิตตั้งมั่นทั้งสามคเนี้ยยังไม่ค่อยเคลียสําหรับผมครับอยากจะมันก็อันเดียวกันแหละนะแต่พูดกับคหลายคนครเราทูด้วยสัมมวนที่ต่างๆกันสําหรับผมทั้งสามคำอย่างตอนเนี้ยเห็นไหมใจหนีไปคิดอย่าไปหาจิตที่ถูก อย่าไปดูว่าตรงไหนตื่นตรงไหนตั้งมั่นนะตรงไหนมีสมาธิให้รู้ทันเวลามันไหลไปถ้าเมื่อไหร่ขณะใดที่รู้ว่ามันไหลขณะนั้นตั้งมัน่ขนขณะนั้นตื่นที่ปฏิบัติมา ถ, ถ, ถูกบ้างไหมครับถูกสังเกตไหมเราเปลี่ยนครับนะสังเกตไห้จิตมันมีพลังมากขึ้นเข้มแข็งขึ้นดีคอยรู้ทันจิตที่หลงหนะ ตีเพ่ปไปหาว่าจิตที่ไม่หลงเป็นยังไงการนั้นมาชี้ตามหลวงพ่อค่ะว่าคือปฏิบัติธรรมมาสักัรั้งแล้วก็เข้าใจว่าตัวเองจิตตื่นแล้วแล้วก็คอยยักย้าน้องทำได้แล้วแต่ว่าจิตตั้งมั่นบ้างตั้งมันบ้างถูกแล้วละ่ะมันไม่ตั้งทั้งวันทั้งคืนหรอกเพราะว่าจิตที่ตั้งมั่นก็ไม่เที่ยงเหมือนกันก็แค่รู้ว่ามันไม่ตั้งมั่นสังเกตดูใจเราบางทีก็ไม่แช่มชื่นนะมันหงุดหงิดง่ายอะไรเงี้ย เราดูไปด้วยเราเห็นจิตจะงุดหงิดเราเพรห้ามมันไม่ได้ใช่ไหมจิตจะกังวลก็ห้ามมันไม่ได้อะไรเงี้ยที่เข้าใจไม่ถูกป้องถูกนะยีล่ช่วงสอเดือนเนี่ยทำมีอาการยกไม่หน่อยหลวงพ่อฟังไม่ค่อได้ยิน2อสมเดือนเนี่ยทำมีอาการกลัวขึ้นมาแบบแรงมากแล้วก็เหมือนสติเอาไม่อยู่กลัวอะไรนะไม่รู้ว่ากลัวอะไรแบบมันไม่มีเหนนตุผลแั่กลัวขึ้นมาแบบแรงแบบสาเดือนติดติกันโดยที่ตั้งหลักอะไรไม่ได้เลยกลัวจริงๆก็พุทโธไปคิดถึงพระพุทธเจ้าอว้ นะคิดว่าเราขอสละชีวิตบูชาพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนเองนะท่านเล่าเรื่องเทวดารบกาบอสูรนะเคยอ่านมหมบทนี้ชื่อทชักขสูตรสูตรเกี่ยวกับธงนะบอกเทวดาเวลารบกับอสูนะรแล้วก็เกิดท้อแท้ใจควันหนีดีฟออะไรเงี้ยนะหันไปยังเห็นธงของพระยินอยู่อนะไรเงี้ยก็ขึ้นสู้นะมีธงของเทวดาผู้ใหญ่อยู่ก็เลยไม่หนี ภิกษุก็เหมือนกันเวลาภาวนานะเกิดความหวาดกลัวขึ้นมาคิดถึงธงธงของเราคือคิดถึงพระเจ้าคิดถึงพระธรรมคิดถึงพระสงฆ์อะไรเนะนี่ยใช่สวดมนต์นะคะ์นนแล้วก็มีสวนบทพาหุ่ไได้ใช่ไหคะอ้นั่นเอาเอาเอ า, เอาบทสวดมนต์เป็นที่พึ่งไปลองคิดอย่างนี้สิว่ามันกลัวอะไรกลัวสุดขีดนั้นก็กลัวตาย เราคิดเลยว่าเราหยอบตายเราสวายชีวิตบูชาพระพุทธเจ้าถ้าคิดว่าหยอบตายนะเราชนะเลยอาการทางกายมันขึ้นด้วยแล้วมันแบบมันเป็นเข้าโรงพยาบาลถี่มากเลยนะวัดเดือนสเดื น, นี้มเข้าโรงพยาบาลแบบจนโรงพยาบาลเขาไม่รับนะเลนเาบอกว่าเาบอกว่าไม่เป็นอะไรแล้วเรากลับมาเราสงสยัยไปจิตเรา้นะอยู่ที่จิตนะเวืเราสละให้พระพุทธเจ้าเลยนะไม่ต้องไปกลัวมันละ เราไม่ใช่ของเรามันของพระเราถวายพระไปแล้วใจกล้าๆหน่อยนะดีใช้ได้ค่อยทําไปนะถูกวันนี้ก็ถูกพรุ่งนี้มันจะไม่เหมือนกันไอ้ที่เราว่าถูกตอนนี้พอเราพาวนาไปอีกนะวันนี้ไม่ถูกละนะมันมีถูกมากวันนี้อีกมันเป็นขั้นๆไปกลางนมะำสการของพ่อพอดีก็ใช้คําว่าเป็นมือใหม่นะครับก็อยากจะปรึกษาของพ่อว่า ผมเนี่ยจะฝึกปฏิบัติอย่างไรที่เหมาะกับตัวผมครับเราเป็นคนคิดมากนะคนคิดมากนะให้รู้ความรู้สึกไปความรู้สึกเราเปลี่ยนแปลงทั้งวันเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะี่นดูไปพไื่้ไม่ได้ดูเอาดีนะไม่ได้ดูเอาสุขดูให้เห็นว่าทุกอย่างมันชั่วคราวมาแล้วก็ไปดูจิตไปแล้วการฝึก ด, ดูลักษณะดังกล่าวเนี่ยสามารถทาให้เห็นการ ขึ้้นตัอยู่แลวใช่ต้องเห็นสิถ้าไม่เห็นมันจะไปได้มับงผลได้ยังไงเราจะเห็นเลยความสุขเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปทุกตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นเน่นั้นแหละแต่ไม่ต้องไปคิดนะให้มันเห็นเอาเองพัสการเจ้าข่าหลวงพ่อลูกฟังซีดีหลวงพ่อมาได้สักระยะหนึ่งนะคะลูกอยู่ต่างประเทศแล้วก็ ระหว่างที่ลูกปฏิบัติสามีและลูกไปทํางานสามีไปทํางานและลูกไปโรงเรียนก็เวลาทํางานบ้านไปเรื่อยเริู่ดคุ่นก็ดูกายไปล้างจานก็ดูมือไปแล้วก็ตอนเย็นเวลาทุกคนหลับก็จะสวดมนต์นัน่งสมาธิบ้างแต่บางทีก็ระหว่างวันหลงบ้างไม่รู้ว่าตปวเองทถูกหรือเปล่าที่ทําอยู่ก็ใช้ได้นะสังเกตไหมใจเราสบายขึ้น ใจมันอยู่กันเน้อก็ตัวเยอะขึ้นแล้วล่วนะนะเวลาทํางานเราก็เห็นร่างกายเป็นคนทําไม่ใช่เราทําหรอกเราเป็นคนดูนฝึกฝีอย่างนั้นเรื่อยๆนะทําถูกแล้วล่ะก็พยายามตั้งจิตนะคะว่าจะถือสีหน้าตามที่หลวงพ่อบอกแต่ก็ค่อนข้างจะยากยากถือสีนนะเราต้องใช้สติถ้าเราขาดสติเราจะขาดสีขาดง่ายยิ่งข้อสี่นะเนี่ยขาดเร็วมากเลย น่าต้องมีสติไหมอย่างใจเราอยากพูดอะไรไม่ดีเราก็รีบรู้ทันถ้าเรารู้ว่ามันความกิเลสมันดับนะศีลมันหมาเองลูกก็ทนายามันนี้ที่ฟังเจ็ดข้อของพ่อไปนะคะจะนําไปปฏิบัติค่ะได้กี่ข้อล้วประเมินไหมที่จะดูกายดูใจตัวเองรูตัวเองมากขึ้นให้เห็นกิเลสตัวเองะคะ่ะทําถูกแล้วล่ะนะขันเขินแยกหมดแล้วล่ะใช้ได้ รู้สึกไหมเรามันเหมือนคนใหม่มมาบางคนภาวนานะมาเรียนที่วัดนะภ mm hmm. าวนากลับบ้านไปนานๆเ น, น, นี้ยสามีสงสัยว่าไปทําอะไรมาสวยกว่าเก่ามาวัดอีท่าไหนนะตามมาก็มีนะอยากมาดูว่าหลวงพ่อสอนอะไรว่าเมียเราเนี่ยเหมือนคนใหม่เคยปากมากนะก็ปากน้อย <laughs> เวลาเราเราปฏิบัติเรารู้ว่า เราจะไม่โกรธเหมือนเราไม่ทะเลาะไม่อยากทะเลาะกับใครด้วยบางทีเราเห็นว่าจิตเรามันโกรธอะค่ะมันขุดขึ้นห้ามมันไม่ได้เจ็บยอดปากเนี่ยไม่ออกเราก็ดูปากมันพูดไปแต่ว่าเรารู้นะว่าเราพยายามจะบังคับมันไม่ให้หยุดมันหยุดไม่ได้ไม่ได้พระเจ้าไม่ได้สอนให้บังคับนะท่านบอกดูครัาพีสูทั้งหลายจิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะแล้วถ้าเกิดวันหนึ่งเราปฏิบัติไปเรื่อยความโกรธ น, น้อยลงะควะามกลวนะมันเหมือนไฟไม่มีเชื้อเนี่ยก็ค่อยๆดับไปถ้าเราไปเติมเชื้อให้เรื่อยๆไฟก็ติดไปเรื่อยๆการนับัสการพระอาจารย์ครับอส่งการบ้านทั้งแรกที่อามิโก้แล้วพระอาจารย์ว่าตีที่ปัสสนวันหายแล้ ว, ห า, ลวหายแล้วครับแล้วก็ทำมากละเอียดขึ้นไปเรื่อยๆ ต้องระวังนะมันมีมิปัสนูตัวหนึ่งคือปัญญามีปัญญามากไปมันรู้อะไรเยอะไปไม่ต้องรู้เยอะนะรู้แค่ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเฉพาะหน้าเราเนี้ยรู้วน้วจะดับทั้งสิ้นรู้แค่นี้พอละนะ <c oughs> ต้องระมัดระวังนะมันพร้อมจะเกิดอะไรนะที่ดูเราเหน็นเหมือนกับเป็นกางไ่เป็นการจริงนะครับไม่จริงยังไม่จริงหรอก มันเหมือนกับมันมีอะไรบางอย่างแต่มันคือไม่ออกมันมันใช้พลังของจิตนะใจมันมีสมาธิอ่มันข่มเอาไว้หน่อยแล้วสิ่งภายนอกบางอย่างนี่สามารถจะเอาขันนี้ไปใช้ได้ไหมครับือเป็นยังไงล่ะคือมันที่ที่ผมเคยติดอยู่ที่ผมหลวงพ่อเคยบอกเขาว่ามันเป็นพลังงานบางอย่างมันสามารถจะครอบงำขันนี้ได้นะครับได้ แนะถ้ามันถ้าเราสติไม่พอนะถ้าเรามีสติมีสมาธิเราครอบครองขันอยู่พลังข้างนอกก็ามาครอบครองไม่ได้รู้สึกตัวไปสบายอย่าไปกลัวมันตรงนี้นะ่าจะเป็นปัญหาในการวิปัสสนาพอสมควรเลยครับสำหรับผมตอนนี้อย่าให้ฟุ้งซ่านในธรรมะก็แล้วกันนะรู้ลงปัจจุบันไปเรื่อยเห็นแต่ว่าอะไรมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปรู้ mm hmm. แค่นี้พอไม่ต้องรู้เยอะรู้เยอะไม่ดีนะ รู้น้อยน้ยไว้โง่ไว้อดีกรรมฐานโง่โง่ครูบาอาจารย์บอกงนี้นะรู้มากยากนานแล้วนะั่งสมาธินี่นั่งไม่ได้ไม่เป็นไรใช่ไหมครับยังนั่งไม่ได้นั่งแล้วมันจะขมรุนแรงเกินมันโดนตลอดเลยเทำใจให้สบายจเจริญเมตตาไปนะบริกรรมไปใช้คาถาสมเด็จโตะนะเมตตาคุณังอะระหังเมตตาเมตตาคุณังอระหังเมตตาจาได้ยาง อ, อฟังทีเดียวก็ง่ายเนาะจําไดนะ้อันนี้ของสมเด็จโตหรอกแล้วนอกเหนเือจากนี้มีอะไรต้องฝึกนะให้สบายใจนะอย่าให้เครียดกลนะับหลวงพ่อเจ้าค่ะดีใจจ้าค่ะ อ, อ, อืส่งกัน <c oughs> บ้านในรอบปีครึ่งนะคะปีที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าเออ่ให้ไปฝึกจิตให้ตั้งมั่นกว่านี้เพราะว่ารู้สึกตัวว่าคือเราไหลไป คลุกกับขันไปดูขันที่เหมือนกับช่วงนี้เราสนใจเวทนาหรืออะไรเงี้ยค่ะมันหามไม่ได้ก็เลยกลับไปฝึกก็ดูที่มันไหลไปอืจนจนสักพักนึงเนี่ยเออมันเหมือนเฉลียวไปเห็นว่าเตัวตัวรู้ว่ามันก็ไม่เที่ยง อ, อืแล้วหนูก็เสียใจมากอ้าวแต่แทนที่จะจิตจิ้มบรรลุมรผลก็เสียใจไปสาเดือนว่าตัวรู้มันไม่เที่ยง <laughs> ตัวรู้ไม่เที่ยงค่ะ <laughs> ถ้าเห็นว่าตัวรู้เที่ยงนะเห็นว่าจิตเที่ยงเนี่ยเป็นมิจฉาทิฏฐินะ่ค่ะแล้วก็พอดี ก, ก็เลยได้ได้ส่งเ อ, อไดออ้มีครูบาอาจารย์ท่านแนะนำนะคะท่านก็บอกว่าโยมอย่ า, ยา อ, อย่าอย่าไปเอารู้ให้เอาความจริงให้ดูเอาความจริงนะจิตมันก็เหมือนกับเมื่อไหร่จไปจ้องใส่ตัวรู้นะตัวรู้เนี่ยถ้าไปจ้องมันจะเกิดตัวรู้ซ้อนตัวรู้ไปเรื่อยไม่มีที่จบเลยใชค่ะแต่ตัวนั้นผิดเลย ก็เลยเลยเหมือนกับว่าเหมือนกับมันจิตมันรวมลงมาแป๊บนึงแล้วมันก็พูดกับเหมือนกับพูดกับตัวเองว่าอ้าวมันก็แค่ขันนึงจะไปอะไรกับมันนักหนาใช่ทีปัญญามันเกิดแลคะ่ะแล้วก็หลังจากนั้นมันก็เลยเหมือนกับว่าถอยถอยออกมาคือไม่ค่อยลงไปคุย ก, กับขันอนื่มากแล้วก็เรียนดูไปเรื่อยเรื่อยแลคะภานาดีแล้วล่วะคะ่ะขอหลวงพ่อโคบสั์เลยเจ้าค่ะ <laughs> ตอนนี้ <laughs> ไม่จําเป็น พอนาถูกแล้วก็ไม่ต้องโขกแล้วมันไม่ยากหรอกนะถ้ขันมปนแยกแล้วเห็นขันมันทำงานอย่าไปแทรกแซงมันซะไม่รักษาจิตตัวรู้มีขึ้นมาเนี่ยเพื่อจะได้เห็นว่าตัวหลงก็ไม่เที่ยงเราไม่ได้มีตัวรู้เพื่อเอาตัวรู้นี่รันดอนตัวรู้เองก็ไม่เที่ยงคนทั่วๆไปไม่มีตัวรู้มันมีแต่ตัวหลง หลงหลงหลงหลงลงลงหลเลยเที่ยงก็เลยคิดว่าจิตเนี้ยเที่ยงพอมันมีตัวรู้ขึ้นมามันจะเห็นนะจิตที่หลงเกิดแล้วก็ดับแต่จิตที่รู้เองก็เกิดแล้วก็ดับสุดท้ายจิตทุกชนิดแหละเกิดแล้วก็ดับจะเห็นว่าจิตไม่เที่ยงเรื่องจิตเที่ยงไม่เที่ยงนี่แหละเป็นประเด็นใหญ่เลยนะที่จบตีหลวงพ่อตอนช่วงโน้นบอกหลวงพ่อสอนผิดว่าจิตไม่เที่ยงแล้วบอกจิตเที่ยงถ้าหากล่ะ จิตเที่ยงไม่ใช่ศาสนาพุทธนี่เขาไม่เข้าใจาไม่เคยเข้าใจวิปัสนาถ้าเราทําวิปัสนาเปลี่ยนเราเห็นเหมือนที่พระพุทธเจ้าสอนจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปทั้งวันทั้งคืนทีละดวงเกิดขึ้นมาดับไปเกิดแล้วดับไปกระทั่งจิตรู้เกิดแล้วก็ดับจิตรู้เป็นจิตประพัดสอนสว่างโปร่งใสแต่มีกิเลส ดังจิตรู้เนี่ยไม่ใช่เป็นที่พึ่งที่อาศัยของเรายังเป็นจิตที่มีกิเลสอยู่หลวงตาท่านเรียกจิตเอาวิชาอันนี้ยต่อไปบอก ร, ครัคือตอนเนี้ยพอดูดูจิตแล้วไปฟังหลวงอเทศบอกว่ า, วา ม, มีมียาเห็นเห็นจิตเหมือนตาเห็นรูปรอืัก็พยายามดูตอนนี้มันมีนมจักอารมณ์ได้แต่รู้สึกว่าเหมือนมันเข้าไปล็อกมันไม่เห็นใจหลักเออถ้าล็อกเนี่ยแสดงว่างจงใจดูมากไป เป็นเพลงไปต้องดูเป็นธรรมชาติอย่าที่หลวผ้าอสอนดู ก, กายมาแต่แรกไหมมาทันไหมที่ยิ้มหวานๆก่อนเนี่ยใช้ใจอย่างนี้นะถึงจะดูได้อย่างนี้ดูอะไรไม่ได้มันนิ่งหมดอะเนี่ยเนี่ยมันเข้าไปล็อกนิ่งนะเพราะนะั้นให้ใจมัถอยออกมาสบายๆรู้สึกตัวสบายๆนะนก็รู้สึกว่าภาวนามาตั้งแต่ในกาลหงพ่อมาตอนปีสี่แปดนครับมันก็จะ เกือบจะสิบปีแวกลัวมันไม่ทันนะครับไม่ทันอะไรห <laughs> ลวงปู่เทศเคยสอนนะบอกว่าไม่ต้องกลัวว่าปฏิบัติไม่ทันนะสามใดที่ยังมีกิเลสก็ยังมีเวลาอีกอะ่ะ <laughs> ตอนนี้ที่ทมันมันติดแล้วเพราะเราเครียดไปแต่ประมาณทุกอาทิตย์หนึ่งผมจะดีสักประมาณครึ่งวันยังดี <laughs> ยังใช้ได้นะ <laughs> อาทิตย์หนึ่งดีครึ่งวันก็ยังดีอะ่ะ อยังมีตีอย่าจงใจมากจงใจมากเพราะรีบร้อนจะเอาให้ได้อยยิ่งจะเอาให้ได้ยิ่งไม่ได้ดูมันเล่นๆได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้ช่างมันไปเลยเราปฏิบัติไม่ใช่เพื่อเอาอะไรเลยนะไม่ได้ปฏิบัติเพื่ออะไรทั้งสิ้นเลยปฏิบัติให้เห็นความจริงของกายของใจไปเท่านั้นเองบางครั้งก็พยายามจะปฏิบัติในช่วงที่เดินทาง รถเจ้าค่ขับเองหรือเปล่าไม่ได้ขับเออถ้าถ้าเราเป็นคนนั่งเนี่ยพอหนาง่ายค่ะทีนเห็นความเคลื่อนไหวมันเยอะมากขึ้นมาบางครั้งมีรู้สึกจิตใจมันปดมันมันปั่นป่วนแล้วเกิดับเกิดดับเออเวลาเดินปัญญานะเห็นเกิดดับเกิดดับมากไปเนี่ยใจมันเหนื่อยถ้าเป็นอย่างนั้นต้องทําสมถะนะลืมดูเรื่องเกิดดับไป มาท่องพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธแบบสบายใจไปเรื่อยๆนะทําความสงบเข้ามาทาสมถะสมถะเนี่ยเป็นที่พักเวลาที่เราเจริญวิปัสสนาไปแล้วมันเหนื่อยก็นะต้องทําสมถะพุโทโธพุธโทโธเล่นๆไปแล้วเวลาที่มีความสุขบนงคร้งมันแยบเข้ามาที่ใจนี่มันคือใช่ความสุขก็เสียดแทงความทุกข์ก็เป็นเคเรื่องเสียดแทงนะความสุขก็เป็นตัวทุกข์อันนึง เ, เครื่องบีบคั้นเหมือนกันถูกแล้วรูม้มีอะไรควรปรับปรุงอย่างใจใจมันต้องทําสมาธิบ้างนะให้ใจมันเข้มแข็งกว่านี้ใจมันสงบบ้างนะงานใจมันจะอ่อนไม่ค่อยมีแรงการมสเพ็ญสงฆ์ครับคือผมปฏิบัติมาเกือบเกือบครบหนึ่ปีแล้วนะครับแล้วทีนี้จิตมันเกิดความมากแล้วก็รู้ทานว่า เป็นสัญญาณอะขังมันทํางานของมันเองมันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่ในระดับใช่แต่ทีนี้มันมันกลัวบาดกลัวแล้วมันรู้สึกว่ามันมันติดตรงเนี้ยอืมติดเขาขอเข้ามาซะนะก็วันนี้ตั้งใจจะมาแล้วทีนี้คือหลังจากนี้แล้วมันมันก็จะอยู่อย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆไม่เป็ป่าวเพราะว่าอะไรอยู่หมายถึงว่าไอ้ตัวสัญญาตรงเนี้ยครับว่าห้ามมันไม่ได้นะ ยิ่งยุคนี้นะหลวงพ่อจะบอกให้มันมีพลังของมารนะมันจะคอยกระตุ้นเรานะให้ปราโมพระเมื่อทีปราโมทพระพุทธเจ้าด้วยซ้ำไปหรือให้ด่าหลวงพ่อมันจะกระตุ้นเรานะถึงตรงนั้นน่ะให้เราเจริญเมตตาไว้ไอ้มารเนี่ยมันแพ้เมตตาพอเวลามันเกิดขึ้นแล้วมันก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่เรามันเป็นพลังแทรกเข้ามาแต่มันก็รู้สึกว่าทําไมมันมาอีกแล้ว ต้องบอกเนี่ยแกบาปฉันไม่บาปแกแทรกเข้ามาเฉยๆนะเจริญเมตตาไว้ไอ้มารตัวเนี้ยมันแพ้เมตตาเจริญเมตตายังไงก็บริกรรมไปก็ได้นะเมตตาคูนางกระหังเมตตาอะไรนะบริกรรมเล่นๆไปทําใจสบายๆเดี๋ยวใจมันจะร่มเย็นขึ้นมาถาใจร่มเย็นมาพลังมารจะแทรกเข้ามายากหน่อยแล้วหลังจากนี้มันก็จะมีมาเรื่อยๆไม่ต้องไปกลัว มนันก็คู่กับพระมันตลอดคือคยาไปกลัวมันนะยิ่งเรากนะังวลเนี่ยมันยิ่งได้ช่องเล่นงานเราได้หนักขึ้น <c oughs> เราทําใจสบาย <c oughs> สมมติว่ามันอยู่ๆมันกระตุ้นให้ด่าพระให้มันหรือด่าหลวงพ่อเนี่ยเราดูออกว่านี่พลังข้างนอกเอ๊ะคนทำอะไรบาปเราไม่เกี่ยวดูอย่างนั้นไปเลย <c oughs> ถ้าเรารู้ทันต่อไปมันก็ค่อยเหนียมเหนียมไปล้วอีกข้อนะครับ คือพอปฏิบัติไปเรื่อยๆแล้วมันรู้สึกว่ามันมานะเออนั่นแหละรู้สึกดเออนั่นแหละตัวจริงเลยตัวจริงของเรามานะแดงแล้วบวกกับว่าอ่านหนังสือข อ, ของพระอาจารย์หลายๆท่านแล้วมันก็เกิดการเปรียบเทียบเกิดอารมณ์เราดูดูสภาวะธรรมในปัจจุบันของเรานี่ห น, นังสือปล่อยทิ้งไปถูกผิดอะไรช่างมัน มันถูกของท่านไม่ใช่ถูกของเราสิ่งที่ถูกของเราก็คือสภาวะที่เกิดต่อหน้าต่อตาเนี่ยเกิดแล้วดับไปดับไปดูตรงนี้นะไม่ต้องสนใจหนังสือหรอกดูของจริงหนังสือนั้นเขาสอนเพื่อให้รู้วิธีปฏิบัติเมื่อรู้วิธีปฏิบัติแล้วก็มาดูสภาวะเกิดดับเอาต่อหน้าต่อตานี้นะส่วนหนังสือนนะโยนทิ้งไปเลยวันจักไปต้องดูนะหนังสือบางเล่มอ่ะ เผาซะยังดีกว่า บ, บริจาคหนังสือที่เป็นมิจฉาทิถี่เยอะนะแล้วค่อยๆดูค่อยๆสังเกตไปคือสมัยพุทธกาลเนี่ยพระเจ้าประกาศาศาสนาขึ้นมานะชาวพุทธเนี่ยเป็นคนส่วนน้อยล้วที่อื่นาศาสนาอื่นนะเขาก็ามีตัวตนของเขาอยู่มาหลังๆเนี่ยพระพุทธเจ้าชนะลัที่อื่นๆนะมันสู้ไม่ได้ มั น, นแอบมาอยู่ในศาสนาพุทธเรามาแฝงเป็นมิจฉาทิฏฐิที่แฝงอยู่ในพระพุทธศาสนาเนี่ยเต็มไปหมดเลยเป็นลทัทธิเดรตถีนานาชนิดเลยมาอยู่ในวงของพุทธนี่เองถ้าเราไม่ได้ศึกษาเราแยกไม่ออกอย่างความรู้สึกจํานวนมากเลยที่เรามีนะมันไม่ใช่พุทธหรอกอย่างความรู้สึกว่าถ้าเราตายเนี่ยจิตจะออกจากร่างไปเกิดใหม่เนี่ยนี่ไม่ใช่พุทธรอ พวกนี้ก็มีเยอะหรือว่าพระพุทธเจ้านิพพานแล้วเนี่ยเป็นโลกอีกโลกหนึ่งนิพพานเป็นโลกอีกโลกหนึ่งอันนี้ก็ไม่ใช่พุทธมีแยะเลยที่ที่แฝงเข้ามาในพระพุทธศาสนาค่อยๆดูค่อยๆ ด, ดูของจริงเห็นเกิดดับไปนะ อ, บอ๋องลกุณิค้อที่ผมเคยไปดูผ่าศพแล้วก็เห็นสภาวะทรรูปแบบหนึง่งแล้วก็มีโอกาสได้ไป ไปเจอคนแก่ซึ่งเป็นอัมาพาตแล้วเห็นสภาวะวเป็นสภาวะหนึ่งครับแล้วทีนี้มันเกิดสภาวะหนึ่งกับตัวเงคือว่าไดอทํางานแล้วนอนก็ก่อนน้อยแล้วต้องตื่นขึ้นมาทา ง, งานแต่เช้าแล้วมันใจมันวิวแล้วไม่เกิดวความรู้สึกเหมือนกับว่าเรายังกลัวอยู่ยกลัวที่ที่จะตายอะไรมันมั น, ม, นมันปกติหรือเปล่าปกติก็คื อ, อยังต้องกลัวอยู่ไปเรื่อยใช่เ ร, เรายังไม่ได้ถึกขัน้นพระอนาคา รับผ่อร น, นะยถาวาริวหาปูราปริภูเรนตีสาคหลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานางอุปกะปติอิชิตตังปฏิตังตุมหังกิปเมวะสมิจตุสัเพภูเรนตูสังกปาฉั น, ทนโาทปันรสโอยะถามณีโชติรสโอยถ า, าสัพีติโยวิวัชฉันตตสปโรโ ค, รโครวินัสตู มาเตพวัดวันตรายโยสุขีที่คาโยโกพาวะอาภิวาธนาศีลิสนิตจังวุธาปัจายโนจ ต, ตารโรธรรมาวันเตียยุวันโนสุขังพระลังหลวงพ่อขออนุมโมทนานะผู้จัดแล้วอนุมโมทนากับพวกเราด้วยพวกเราถือว่าผ่านนะ หลงพ่อเวลาเทศหลวงพ่อประเมินผลด้วยว่าเราตั้งใจรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างเป็นเรื่องปกติแต่ตั้งใจที่จะเรียนรู้เนี่รักที่จะเรียนรู้เนี่ยเป็นสิ่งทึ่สอนกันยากบางคนไม่รักที่จะเรียนรู้อะไรใหม่ๆติดแคบๆเยู่อยงเดิมรับของใหม่ไม่เป็นไอ้พวกเราใช้ได้นะใจของพวกเราไม่ได้แับแคบ ใจของเราอย่างนี้เป็นใจที่รับธรรมะได้งั้นเอาไปปฏิบัตินะที่สอนให้ไปสํารวจตัวเองดูว่าตลอดแต่ละไตรมาสนะลองประเมินผลตัวเองดูชีวิตดีขึ้นหรือเปล่าจิตใจดีขึ้นไหมถ้าสามเดือนก็เหมือนเดิมสแสดงว่าอันแรกปฏิบัติผิดอันที่สองปฏิบัติไม่พอถ้าปฏิบัติถูกปฏิบัติพอ ไตรามาสหนึ่งเนี่ยจะเห็นเลยว่าเปลี่ยนเพราะธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่เนิ่นช้าอดทนนิดหนึ่งนะไปฟังสีดีเอาแล้วเวลาสงสัยก็ไม่ต้องไปถามใครหรอกไปเปิดซีดีเอามีทุกคำถามทุกคำตอบลที่จำเป็นกับการปฏิบัติทีเที่ยวถามคนนี้คนนี้นะเขาพานา ม, มาไม่เหมือนเราแล้วเขาก็อยากให้เราทำแบบของเขาอะไรเงี้ยเราเสียเลย จลีตนี้สายคนไม่เหมือนกันทางใครทางมันนี่เรื่องใหญ่เลยแต่หลักต้องถูกนะนี่หลวงพ่อไปแล้ ว, ลวนะกาบต่อการสองการสาม